มีของกินไม่กินมันก็เนา่ามีของเก่าวไม่เล่ามันก็ลืมท่านผู้ฟังเรื่องนี้ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยผมยังเป็นเด็กคือเรื่องของสัมมเนนบุญนาคโคโสนะครับเรื่องนี้เป็นที่ลือลั่นกันในหมู่พระหมู่เนนสมัยก่อนนี้จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับพระท่านก็ยังเอาเรื่องของสัมมเนนบุญนาคเนี่ยมาเขียนมาวิพากวิจารณ์กันนะครับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นหลายปีแล้วครับนานแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พบกับบันทึกของสมณเณรบุญนาคโคโศเนี่ยนะครับนับว่าเป็นโชคดีผมก็เลยเชิญเรื่องราวนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังนะครับสมณเณรบุญนาคมีความสําคัญอย่างไรในวงการสงฆ์จึงได้ล่ําลือกันครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับในสมุดบันทึกของสมณเณรบุญนาค ได้เล่าว่าอาตมาภาพเป็นบุตรคนสุดท้องของโยมพ่อโยมแม่เมื่ออายุได้หกขวบพอดีวันนั้นเป็นเดือนสามขึ้นสามค่ำโยมแม่พาไปทำบุญที่วัดเผอิญหนาวจัดมองเห็นท่านพระครูปานห่มจีวรผืนใหญ่เข้าใจว่าจะอุ่นก็ร้องให้แม่ขอให้แม่ก็บอกว่าเอาไปห่มไม่ได้ยังไม่ได้บวชเอามาห่มไม่ได้ กลัวบาปจีวรก็ห่มกันแต่เฉพาะพระชาวบ้านห่มไม่ได้อาตมาภาพมองขึ้นไปข้างบนก็เห็นพระพุทธรูปที่พิมพ์ใส่แผ่นกระดาษเรียงลำดับสิบสององค์ซึ่งพระท่านติดไว้บนหัวนอนก็เลยถามแม่ว่านั่นอะไรแม่ก็บอกว่ารูปพระเจ้าต่อจากนั้นอาตมาภาพก็นึกรักใคร่เลื่อมใสในรูปของพระพุทธรูปนั่นก็บอกให้โยมแม่ขอ โยมแม่ก็ไม่ขอก็ร้องไห้อร้องไห้ไม่ยอมหยุดตกลงสมภารวัดก็เลยเอามาให้คงจะรําคาญแล้วก็นํารูปนั้นไปไว้ที่บ้านวันหลังก็ถามโยมแม่ว่าแม่แล้วเวลาเนี้ยพระเจ้าอยู่ไหนอะแม่บอกว่าพระเจ้าไปนิพพานแล้วก็บอกให้แม่พาไปอพาไปนิพพานที่พระเจ้าอยู่แม่ก็บอกว่าไปไม่ได้นิพพานอยู่เมืองฟ้าแม่ว่าอย่างนั้น ต่อมาวันหลังเห็นพระเดินเที่ยวบินธบาตตามลําดับกันมาหลายองค์คล้ายๆกับรูปที่ติดอยู่บนหัวนอนก็นึกว่าเป็นพระเจ้าก็เลยร้องบอกแม่บอกว่าแม่นั่นพระเจ้ามาหน้าบ้านเราแม่โผ่ออกมาดูเห็นพระมาบินธบาตแม่ก็ร้องนิมนต์พระบอกว่านิมนต์ก่อนข้าพระก็ยืนเป็นแถวแนวลําดับกันอยู่ก็นึกเลื่อมใสายในใจมากทันอยู่แม่กลับมาจากใสาบาด อาตมาก็ถามว่าแม่พระมาจากไหนอ่ะแม่ก็บอกว่าพระมาจากวัดก็ถามอีกว่าพระมาจากไหนถึงได้ไปอยู่วัดอ่ะแม่ก็บอกว่าเขาก็ไปจากบ้านนั่นแหละไปบวชแล้วก็อยู่ที่วัดพอทราบว่าพระไปจากบ้านไปบวชอยู่วัดต่อจากนั้นอาตมาภาพก็ขอให้โยมแม่นําพาไปบวชแม่ก็บอกว่ายังเล็กบวชไม่ได้ ก็อ้อนวอนขอให้แม่นําพาไปฝากไว้ที่วัดถึงยังไม่ได้บวชก็อยู่วัดก่อนก็ยังดีแม่ก็ห้ามเป็นครั้งที่สองว่ายังเล็กเกินไปอ่าก็ร้องไ ห, ห้ขอไปไม่หยุดทีเดียวเวลานั้นนะตอนนั้นอายุแค่6ขวบเจดขวบเท่านั้นเองต่อมาแม่ไม่พูดด้วยก็ร้องไห้ว่าอยากจะไปอยู่วัดทั้งบนทั้งร้องไห้แต่เช้าจนเที่ยงจนไม่กินข้าว เพราะว่าเสียใจกลัวแม่จะไม่ไปฝากที่วัดตกลงแม่ก็เลยพาไปฝากที่วัดพะเดียงไปบอกสมพันธ์ว่าไอ้หนูมันร้องไห้อยากจะมาอยู่วัดไม่รู้จะทํำยังไงสมพันธ์ก็เรียกไปถามอ่ะอาตมาภาพก็บอกว่าอยากบวชท่านก็ถามอีกว่าอยู่อ ย, อยู่กับเราไปก่อนไหมโตแล้วค่อยบวชก็บอกว่าอยู่แม่ก็เลยมอบให้อยู่กับพระก็เลยอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจากบ้านไปอยู่วัดไปอยู่กับพระสองเดือน ยมพ่อก็มาจากการขายควายอ่ายมพ่อนี่ไปขายควายทีเป็นเดือนเดือนแบบเดียวกับพวกนายห้อยควายพอยมพ่อกลับมาไม่เห็นลูกก็ถามหายมแม่ก็บอกว่าแกไปอยู่วัดยมพ่อก็ไปวัดแล้วก็ไปถามว่าแกอยากจะเข้าไปนอนบ้านไหมจะรับไปนอนบ้านอ่ตมาภาก็บอกกับพ่อไม่อยากไปอ่ะพ่อก็เลยมอบให้พระเป็นครั้งที่สองเป็นอันวัถวายพระกันทั้งพ่อทั้งแม่เลย ทันจนเข้าภรษาอาจารย์ก็พาไปที่วัดป่าอำเภอยโสธรไกลาจากบ้านเดิมประมาณ3 0 0พันเส้นคนเดินสามคืนถึงจะถึงขณะที่เกวียนไปตามทางอาจารย์ก็บอกว่าอีกสมปีถึงบวชไปอยู่ในเมืองเรียนหนังสือกับเขาก่อนแต่นั้นก็นึกดีใจมากเพราะอาจารย์กำหนดจะบวชให้ในระหว่างสมปีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นปีอะไรเป็นเดือน ตื่นเช้ามาก็ถามอาจารย์ทุกวันว่าถึงสามปีหรือยังอาจารย์ก็หัวเราะทุกวันนานเข้าท่านลำคัญนั่นก็บอกว่าถ้าถึงสมปีแล้วจะบอกให้ไม่ต้องมาเส้าซีลำคัญแล้วก็จะบวชให้พร้อมต่อไปนี้อยาถามอีกนะเรียนหนังสือเข้าให้มากมากถึงจะได้บวชต่อจากนั้นอาจมาภาพก็ตั้งใจเรียนหนังสือในสํานักอาจารย์ต่อไปจนอายุได้แปดขวบพอดีตรงกับเดือนสามขึ้นสามคากลางคืนวันนั้น ฝันเห็นพระเจ้าพระเจ้านี้ก็คือพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งรศมีสว่างสวยตื่นนอนขึ้นมารู้สึกคิดถึงมากก็กราบพระสวดมนต์แล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกองหนึ่งในใจก็คิดไว้อย่างนั้นต่อจากนั้นทุกวันก็ตั้งใจเก็บดอกไม้บูชาแล้วก็ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจนอายุเก้าขวบอาจารย์ก็บวชให้เป็นสนัมมณิชน์พอบวชแล้วก็เรียนหนังสืออยู่กับอาจารย์ ต่อไปอีกหกปีพอดีอายุครบ14ขวบเต็ม15ปีอย่างแล้วตอนนั้นเผอิญพระภิกษุนุมองคหนึ่งชักชวนไปทำปณาติบาตไปฆ่าแย่ฆ่าแย้สะตัวหนึ่งพอกลับมาถึงวัดค่ำลงสวดมนต์ไหว้พระแล้วต่อประมาณสัก4ี่ทุ่มก็จำวัดเสร็จแล้วนิมิตฝันเห็นพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์องค์นั่งประชุมกันอยู่ใต้ต้นว่า ท่านแสดงธรรมบอกว่าจะเป็นพระสมณะเพราะศีสะโลนก็หามิได้คนจะเป็นสมณะเพราะผ้าเหลืองก็หามิได้จะเป็นสมณะเพราะไม่มีภรยายก็หามิได้จะเป็นสมณะเพราะเรียนรู้มากก็หามิได้ผู้เที่ยวไปมักไม่มีอะไรในชีวิตแหละถึงพร้อมด้วยความเป็นอยู่และที่อาศัยอย่างนี้จึงได้นามว่าเป็นสมณะขณะที่ฝันนัปรากฏว่าแดดร้อนจัด อาตมาภาพพอเข้าไปอาศัยอยู่ในร่มนั้นเย็นดีแล้วก็ท่านก็เอาน้ําให้ฉันน้ํานั้นพอฉันเข้าแสบสมองคล้ายๆก ล, ลิ่นเหล้าแล้วก็แสบจมูกมากแล้วก็เลยตื่นขึ้นเวลานั้นก็เป็นเวลาสักสามทุมเงียบสงัดเพราะว่าเดือนหงายแจ้งสว่างมองไปก็เห็นเพื่อนบัรพชิตทั้งพระทั้งเนนอนเกลื่อนกลนอยูอ่ที่พนักเล็กๆข้างนอกกุฏิเพราะว่าฤดูนั้นเป็นฤดูร้อน อาตามาภาพก็เลยลงจากพนักกุฏิเล็กไปนั่งอยู่ร่มมะม่วงนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าท่านพูดทั้งสี่ข้อแล้วก็นึกถึงมารยาทความเป็นอยู่ของพระสาวกและพระาศาสดาว่าสมัยนั้นเขาคงจะไม่ตลกขนองกันเช่นนี้พอนึกแล้วก็ตกลงในใจว่าเราจะต้องหลีกออกไปบำเพ็ญความสงบแล้วก็ทำมารยาทให้ดีตามที่เราเห็นให้จงได้ นึกแล้วนึกแลาวจนนอนไม่หลับอีกในคืนนั้นพอ ร, รุ่งเช้าขึ้นมาฉันแล้วก็ลาพระอาจารย์อาจารย์ก็ไม่อนุญาตก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าผมตกลงใจแล้วแต่ว่าคืนนี้ผมเห็นจะไม่อยู่ว่าแล้วก็ขอข ม, มาลาโทษอาจารย์วางขันดอกไม้ไว้ข้างหน้าท่านแล้วก็หลีกไปวันแรกในเดือนสี่แรมสี่ค่ำไปพักป่าช้าบ้านหนองแสงงานพักในป่าช้านี่ กลางคืนก็นึกกลัวผีก็พิจารณาว่าอะไรเป็นผีเขาบอกว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยพอตายไปแล้ววิญญาณมันจะต้องออกจากร่างวิญญาณนั่นแหละคือผีอ่ะเออก็ร่างกระดูกเขาเผาแล้วฝังหมดเสจะแล้วอวิญญาณก็ไปเป็นผีวัวควายหมูไก่มันก็มีวิญญาณทั้งนั้นแล้วทําไมมันไม่เป็นผีไปเที่ยวหลอกอ่ะวัวควายยิ่งตัวใหญ่ แล้วทําไมคนเอาเนื้อมันไปกินได้เอาขนเอาเนื้อเอากระดูกมันเก็บไปไว้ที่บ้านทั้งกินซะด้วยอ่าปูปลามันก็มีวิญญาณทั้งนั้นถ้าหากว่าสัตว์ที่ตายแล้วต้องไปเป็นผีถ้าอย่างนั้นคนที่กินวัวกินควายเข้าไปในตัวก็ไม่เป็นอันอยู่อันนอนเพราะผีมันจะหลอกนั่นผีปลาผีหมูผีกบผีเขียดอ่เปล่าทั้งนั้นอะไม่เคยปรากฏมาเลยว่า ออพอข่ำมาคนนั้นคนนี้ถูกผีวัวผีควายหลอกผีหมูผีไก่หลอกก็เปล่าทางนั้นตกลงว่ามนุษย์ที่มันหลอกกันทางนั้นนะสิ่งใดที่กินเนื้อมันก็บอกไม่มีผีนะแต่ถ้าหากว่ามนุษย์นี่มีผีว่ายอย่างนั้นพอพิจารณาอย่างนี้ตั้งแต่วันนั้นมาขึ้นชื่อว่าปราช้าไนดะ้อยู่ได้ทุกแห่งไม่กลัวผีอตอนนั้นอาตมาก็เที่ยวไปพักตามปาช้า บ้านอื่นๆต่อไปได้เก้าคืนก็เดินทางไปถึงฝั่งแม่น้ําโขงซึ่งเป็นแดนของฝรั่งเศสไปถึงนี่เป็นเวลาห้าโมงเศษแล้วก็ขอข้ามเรือกับคนยวนคนหนึ่งไปจะข้ามไปฝั่งลาวครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับพอข้ามฟากไปฝั่งลาวนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําโขง ยังไม่มีวัดทั้งอยู่ใกล้ริมภูเขาเขาชื่อบ้านแก้งกระอากพอไปถึงบ้านนั้นก็มืดพอดีผู้ใหญ่บ้านเขานิมนต์ให้ขึ้นพักจำวัดที่เรือนเพราะว่ากลัวช้างป่าเขาบอกว่ามันเข้ามารบกวนบ้านนั้นทุกวันพอได้ยินเขาเล่าอย่างนั้นอาตมาก็ยืนพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็ได้ความว่าเวลาเนี้ยเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อความเป็นพ่อของเรา ในข้อที่ว่าอย่าลุ้อำนาจแก่ความกลัวซึ่งเป็นอคติข้อที่สี่เป็นความกลัวที่เราสั่งสมมาจากอดีตชาติความกลัวมีประจำอยู่ในตัวทุกตัวตัวสัตว์ตัวคนแต่ในสัตว์นี้ก็จะต้องมีทุกตัวถ้าเราเองมัวแต่กลัวอยู่อย่างนี้ดกลงเราก็จะแค่หัวใจสัตว์เท่านั้น ไม่เห็นแปลกจากสันดานสัตว์นึกแล้วก็ตั้งใจอดทนต่อความกลัวเดินผ่านบ้านนั้นไปคนในบ้าน้ก็ทักท้วงนะว่าเดี๋ยวจะมีอันตรายเวลานั้นก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันแต่นึกถึงความอดทนคือขันติบา ร, รมีก็เป็นธรรมอันจะพึงบำเพ็ญส่วนหนึ่งตกลงว่าเวลานั้นจําเป็นจําไปก็คือความอดทนต่อความกลัวสัตว์ร้ายที่ไปนะไม่ใช่หมดกลัว อ่าแบบไม่กลัวผีถ้าไม่กลัวผีนั่นคือหมดกลัวแต่ว่ากลัวสัตว์นี่ยังพอมีความกลัวแต่แต่ว่าก็ต้องทนไปพอไปถึงในที่แห่งหนึ่งเป็นหนทางช้างเดินแถบข้างภูเขาเวลานั้นยังไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นทางช้างเห็นแต่ว่ามันเตียนดีเวื่เราต้องการเดินยงกรมก็จะได้เดินตามแนวนี้แล้วก็ที่นั่นมีต้นตะเคียนใหญ่มีเครือไหวายเป็นพุ่มห้อยล้อมต้นตะเคียนดกหนาเป็นร่มดี อันต่มาก็เลยกลางมุ้งกรดลงเพื่อจะอาศัยที่นั่นเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปตรงนั้นแหละต่อมาตอนดึกจนรุ่งอประมาณสักตีสามเผอิญมีช้างใหญ่ตัวหนึง่งเป็นประธานในช้างทั้งหลายเดินผ่านเชือกที่แขวนกรดให้ขาดตกลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงช้างพับหูดังโป้ก็นึกตกใจจนหายใจไม่ออกน่นหนะ้า อ, อกขึ้นมากลัว แล้วค่อยๆคลานออกจากม้งเข้าไปอาศัยไอ้ดงหวายที่รกห้อมล้อมต้นตะเคียนอยู่เจ้าช้างนั้นฉวยเอาม้งขึ้นพาดบนหัวช้างเองแล้วก็จับเหว่งลงมาแล้วก็เอาเท้าขยี้ทำอย่างนั้นจนม้งแล้วก็กรดนี่เละเทะไปหมดนเสร็จแล้วช้างก็ยืนอยู่กรู่นนึงแล้วก็หันหน้าไปทางต้นตะเคียนเสร็จแล้วก็ดึงเครือหวายที่นั่น่ะกินเป็นอาหาร ตกลงเวลานั้นซ่อนตัวอยู่ในพุ่มหวายคืออยู่ใต้คางช้างนั่นเองเสร็จแล้วพักหนึ่งหมู่ของช้างก็เดินตามกันมาอีกยี่สิบเอ็ดตัวมาทันช้างตัวที่กำลังกินพุ่มหวายอยู่ก่อนนั้นทีนี้ต่างตัวต่างก็มายืนห้อมล้อมต้นตะเคียนก็ดึงเครือหวายลงมากินเป็นอาหารอาตอมาก็กลัวจนแสนที่จะกลัวแน่นนะอกหายใจไม่ออกเพราะความกลัว นึกขึ้นได้ว่าคราวนี้เพื่อบำเพ็ญกิจของพรศาสนาฉะนั้นขออันตรายทั้งหลายจงพินาศไปด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยพออธิษฐานเสร็จแล้วก็เกิดคันตามลำคออ่ามันคันจนทนไม่ไหวมันแสบจมูกทนไม่ได้กดจามพรวดออกมาด้วยเสียงอันดังช้างทั้งหลายตกใจตื่นเสียงไอพากันวิ่งแตกตื่นหนีไปในเวลานั้นก็พอดีสว่าง ออกมามองดูหาบาทแล้วก็ห่อผ้าเห็นไปอยู่ในเหวช้างมันเหวี่ยงลงไปก็ค่อยๆ ค, คลานลงไปที่เหวเอาบาทเอาผ้าึ้นมาได้ก็ครองผ้าครองบาทอ่าเข้าไปบินทบาดในหมู่บ้านในดีผู้ใหญ่บ้านถามว่าท่านพักที่ไหนช้างไม่รบกวนคุณเหรออตาตมาก็ทำนิ่งไม่พูดไม่ตอบอะไรแกก็แปลกใจก็บ่นว่าพระเนนอะไรถามไม่พูด แกก็ตามออกไปดูที่อยู่เห็นรอยช้างมันขยี้กรดขยี้มุ้งแหลกเละไว้หมดแกก็ถามอีกเป็นครั้งที่สองว่าเวลาช้างมันมาทําลายท่านน่ะท่านไปอยู่ที่ไหนช้างถึงไม่ทําอันตรายตัวของท่านได้อตา ม, มาก็นั่งฉันข้าวเรื่อยไปก็ไม่ได้พูดไม่ได้ตอบกระยมสักคำพอฉันเสร็จแล้วก็สบายบาทไตาชายเขาไปประมาณสักแปดสิบเส้นไปพบบึงน้ำมีบัวหลวงบัวทองจอกแหนต่างๆ มีร่มไม้สดชื่นหลายอย่างตามริมบึงแต่บึงนั้นมีฝั่งชันแล้วก็สูงมีท่าลงห้าแห่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายเช่นเสือช้างหมีลิงกระทิงสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในป่านั้นอาศัยกินน้ำในบึงนั้นอาตมาไปถึงเขาก็พิจารณาว่าเออตรงนี้น้ำใสดีแล้วก็ป่าไม้ก็สดชื่นควรแล้วที่เราผู้ต้องการความสงบจะต้องพักบาเพ็ญอยู่ที่นี่ แล้วก็หลีกไปอาศัยอยู่ร่มไทรที่อยู่ชายเขาห่างจากบึงประมาณสักสิบเส้นพอตะวันค่ำลงประมาณห้าโมงเย็นได้ยินเสียงเสือรอ้องร้องฮู้ออกมาจากหลังเขามันมากินน้ำในบึงนั่นนะเสียงเสือร้องดังก้องในทิศทั้งสี่เลยอาจจะมาได้ยินเข้าก็ตกใจพิจารณาไปเอ๋อบัดนี้เรานำชีวิตชีวิตเข้ามาอยู่ในอันตรายด้วยหวังเพื่อบาเพ็ญบารมี พอตกลงใจอย่างนี้ก็เกิดขนพองสยองกล้าวอย่างหน้าพิศวงคือปรากฏว่าขนทั้งตัวในยาวออกเหมือนออกมาจากแขนนี่ตั้งขึ้นตั้งลงเสียงเสือยิ่งร้องใกล้เข้ามาทั้งหกตัวมาตัวละทิศเวลานั้นก็เกิดนั่นไปทั้งตัวลำคอแข็งน้ําตาทั้งสองข้างไหลยหยดออกมาหยิบจีวรในบาดมาหม่มคลุมปิดทั้งตัวทั้งหัว นั่งคัศมาธี่แล้วนึกอะไรยังไม่ออกเพราะยังแน่นหน้าอกและคอแข็งน้ําตาทั้งสองข้างก็ไหลพรากพากไม่หยุดทั้งแน่นหน้าอกนึกอะไรก็ไม่ออกอยู่ประมาณห้าทุ่มมีลิงตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกลางๆลงมาจากต้นไทรมาร้องโวกเวียนอ้อมสามรอบแล้วเข้านอนอข้างหน้าเนี่ยเอาเอาหัวมาหนุนตักที่เข่าขวาร้องเสียงโวกโวก มันทําอยู่อย่างนั้นน่ะเรื่อยไปจนประมาณสักหกทุ่มจึงนึกได้ว่าเอ็นจะเป็นอย่างนี้หระมั้งโบราณนั้นบอกว่าไ อ, อ้ผีกองกอยมกินไส้พุงคนอ่าที่มานอนค้างในป่าในเขากลางคืนพอนึกได้อย่างนี้อาการแน่นหนะ้า อ, อกก็ค่อยทุเลาลงพอนึกอะไรออกไปได้ก็ตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานสาธุสาธุฆ่าแต่เท พ, พยายดาทั้งหลายพร้อมด้วยคุณพระรัตนตรยัย หากว่าข้าพเจ้ายังมีกรรมมีเวกรกษัตริย์ตัวหนึ่งตัวใดแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงล้างผลาญทำลายชีวิตของข้าพเจ้าให้เป็นไปตามยถ า, ากรรมนั้นๆแต่หากว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีกรรมเวกรกษัตรย์ตัวใดตัวหนึ่งแล้วส่วนปฏิปทาการบำเพ็ญบา ร, รมีของข้าพเจ้าจงเป็นไปอย่าได้ขัดข้องต่ออันตรายทั้งหลายอันจะพึงมีในเบื้องหน้าเลยพออธิษฐานเสร็จลงลิงตัวนั้นก็กระโดดออกไปขึ้นไปบนต้นไทร เวลานั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้เราคงจะไม่มีเวรเลยพอสำเร็จอธิษฐานลิงก็หนีไปเอานึกดีใจขึ้นมาก็บริกรรมกำหนดนึกพุโทโธตามหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรื่อยไปพอจวนสว่างเสียงเสือมันร้องขึ้นมาอีกก็แน่นหนะ้า อ, อกขึ้นมาอีกน้ำตาทั้งสองข้างก็ไหลหยดซึมซาบออกมาไม่ช้าช้างพังก็ร้องเสียงดังขึ้นมาเวลานั้นใจสะดุ้งขึ้นมาเหมือนกับ มันแขน็งมันแน่นมักค้างอยู่ที่ต้นคอหูยังดังอื้ อ, อยู่ครู่หนึ่งลิ้นแข็งควันออกมาที่ริมปากแล้วหูดับแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยในระหว่างนั้นคล้ายๆกับว่านอนหลับฝันก่อนจะรู้สึกตัวคล้ายกับนอนฝันได้ยังนั่งอยู่ปรากฏว่ามีหญิงสาวหนุ่มคู่หนึ่งถือดอกบัวมาดอกหนึ่งมาถวายแล้วก็บอกว่าท่านจงทนไปเถอะท่านจะเป็นผู้หมดเวรในชาตินี้อพออย่างนี้แล้วก็รู้สึก ตัวขึ้นมาทันทีพอดีสว่างก็เลยไปเที่ยวบินทบัต ท, ที่หมู่บ้านนั้นอีกพอไปไปถึงบ้านนายดีผู้ใหญ่บ้านคนเก่าแล้วก็บอกแกชาวบ้านนั้นว่าเอ อ, เ อ, อตัวนายดีเขาบอกนะว่าท่านองค์นี้มาบินทบัติอีกแล้วใครมีศรัทธาก็จงใส่บาทให้ท่านไปเถอะใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปส่วนตัวเราเข้าใจว่าคงจะเป็นคนบ้าละมัง้งถามก็ไม่พูดอ่หรือมีอย่างนั้นก็จะเป็นคนไอ พิกคนมาจากแห่งหนึ่งแห่งใดอ่ะคงยังไม่เต็มว่าอย่างนั้นก็มีคนใส่บาตให้สองคนได้ข้าวประมาณเท่ากับสองฟองไข่เป็ดอ่ะเสร็จแล้วพอได้แล้วก็กลับไปฉันพอฉันเสร็จตอนกลางวันก็นั่งสมาธิก็เดินจงกรมไปตามเคยทันค่ําลงตอนเย็นเสียงก็มาร้องเสือนะ่ะร้องอีกละอ่าร้องทุกวันพอได้ยินเสียงเสือร้องคือมันแน่นในะอกทุกทีน้ําตาไหลออกมาเป็นอย่างนี้ทุกวันไป ตอนกลางคืนก็นอนไม่หลับเลยสักนิดนั่งยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะหากจะขยับตัวหรือว่าเดินไปมาในเวลากลางคืนก็นึกว่าเสือนี่หรืออะไรนี่มันจะมองเห็นเอาผ้าจีวรคลุมหัวแล้วก็นั่งนิ่งอยู่เพื่อจะให้สัตว์ที่มามองเห็นว่าเป็นตอไม้ในใจนึกว่าอย่างนั้นนะมันถึงจะไม่ทําอันตรายแก่เราทําอย่างนั้นนะอยู่ในที่นั้นสามวันส่วนเวลากลางวันก็เดินจงกรมบ้างนั่งบ้างนอนบ้า ง, นนางตามธรรมดา ส่วนกลางคืนก็นั่งสมาธิเป็นต่อไม้ไปเลยอยู่ต่อมาถึงวันเขาคำรบสี่คิดปรารบจะกลับบ้านแล้วก็กลับวัดเดิมไม่ช้าในขณะคิดจะกลับคืนสู่สำนักวัดเดิมนั้นปรากฏว่ามีตะขาบใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากรูหินวิ่งมาข้างหน้าเนี่ยแล้วก็กัดสะดือกินไส้ของตัวจนเกือบจะขาดเป็นท่อนแล้วก็ตายไปก็นั่งพิจารณาอาการน้องสัตว์นั้นอยู่ ไม่ช้าก็มีเต่าใหญ่ตัวหนึ่งคาบอเขาเรียกลูกมาสั้นลูกโตโ ต, โตเข้ามาวางจรดกับเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หลีกไปอาตมาก็นั่งพิจารณาอาการสัตว์ทั้งสองที่ปรกากฏขณะนั้นได้ความว่าหากเราเพียนทําลายความกลัวของเราได้แล้วเราก็จะมีผลดังเต่าตัวโง่ๆทํ า, าทไมถึงมันยังเอาผลไม้มาให้เราดูได้อถึงความกลัวนี้ไม่หายเราก็จะอดทนต่อความกลัวอยู่ต่อไป ต่างคนต่างบำเพ็ญขันติบรารมีคือว่ากลัวเพียงไหนก็อดทนอยู่นั่นแหละทนออกความกลัวอยู่ตรงนั้นตอนค่ำมาพอเสือรอ้องเสือร้องเหมือนเดิมก็แน่นหน้าอกน้ำตาไหลออกมาอยู่อย่างเงี้ยถึงสิบวันในวันคำรบสิบตอนเย็นเสือร้องที่บนเขาก็แน่นหน้าอกเข้าอีกจึงนึกขึ้นมาว่าเออเราทนต่อความกลัวมาเป็นเวลาสิบวันแล้วก็ไม่หายสักทีเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ร่าไป หากจะกลับบ้านก็กลัวเพื่อนบรรผชิตพร้อมทั้งอาจารย์จะดูถูกเราว่าไปไม่กี่วันก็กลับแล้วอ่ะก็ไม่ไม่ไม่เห็นว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรเราก็จะอับอายขายหน้าแล้วก็รําคาญหูรําคาญใจอีกตกลงว่าเราตั้งใจไปหาความดีซ้ําจะเอาความโง่ของตัวคืนไปสู่สำนักวัดให้คนอื่นเขาดูถูกปฏิปทาของศาสนาเขาก็จะเย้ยเล่นว่าเรามันพวกกรรมฐานหลอก ตกลงถึงจะอยู่ที่นี่ก็เป็นทุกข์จะกลับคืนสู่สำนักวัดก็เป็นทุกข์นะเพราะกลัวเขาจะไม่เชื่อถือข้อประพฤติของเราต่อไปอีกคือเป็นคนไม่จริงกลับปลอกก็ในใจก็คิดว่าหากว่าเสือกัดเราตายซะแล้ววันนี้มันก็จะหมดทุกข์หมดร้อนกันไปตกลงเอาว่าเอาเถอะเป็นทุกข์เพราะเสือกัดไม่กี่นาทีก็ตายไปแล้วดีกว่าจะทุกข์อยู่อย่างนี้ต่อไปอีกหลายวันอีก คิดตกลงแล้วก็เตรียมครองผ้าเรียบร้อยเป็นปริมณฑลแล้วก็ตรงไปยังท่าน้ําที่บึงที่เสือมันลงไปกินน้ําทุกวันพอลงไปถึงริมน้าแล้วก็นั่งขัดสมาธิพิจารณาว่าเมื่อมันมากินเรามันก็คงกัดที่ตรงคอของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องลําบากอีกหลายวันคิดแล้วก็ตั้งปณิธานปรารถนาว่าหากข้าพเจ้าตายลงในวันนี้ด้วยอํานาจแห่งคุณานุธรรมทั้งหลายมีผลแห่งการรักษาศีลเป็นต้นจงดนบันดาลให้ข้าพเจ้า ได้ถึงสุขติมีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าอธิษฐานเสร็จก็นั่งอยู่ไม่ชาเสือก็มาถึงนั่งหลับตาอยู่ได้ยินเสียงหายใจเสือดังหูเข้าก็ลืมตาขึ้นเห็นเสือตัวใหญ่สี่มุมเลยมองดูเท้าหน้าทั้งสองของเสือมันใหญ่เท่ากับต้นคอเรานึกแล้วก็แน่นนะอกขึ้นมาอีกน้ำตาก็ไหลลงมาในขณะนั้นอ่แล้วก็มอบอยู่คอยให้เสือเข้ามากัด ไม่ช้าเสือก็ครางขึ้นเสียงดองฮึกฮืแล้วก็คว้าฝุ่นดินมาใส่ถูกหัวสามทีแล้วเสือก็กระโดดขึ้นบนฝั่งแล้วก็ร้องเสียงดองฮอลว้าวฮือฮือไกลออกไปก็เงยหน้าขึ้นมานึกได้เอเสือมันไม่กินอ่าดวงเรายังยังไม่ถึงที่ตายละมัง่งนึกแล้วก็ขึ้นฝั่งบึงเดินตามหลังเสือขึ้นมาห่างกันประมาณสิบวากวา่ากว่าพอเสือมองเห็นก็ทําท่าตะครุบ ที่นี่เดินตรงเข้าไปหาเสืออีกประมาณสัก29ขาเสือก็กระโดดไปตามชายเข า, าอาตมาก็เดินกลับไปที่พักที่ร่มไสเวลานั้นกำลังเดินไปพลางพิจารณาขึ้นชื่อว่ามนุษย์คือสัตว์พิเศษแปลว่าพวกใจสูงสูงพร้อมด้วยบุญญาพิสังขารจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตกลงว่าใครทั้งหมดในโลกนี้จะอยู่ได้ทนเพราะความกลัวตายก็หาไม่ได้ หรือว่านึกอยากตายแล้วตายลงทันทีก็หาไม่ได้ไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยข้อนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ของตั้งอยู่ได้หรือว่าตายลงก็ดีเป็นไปตามกรรมของสัตว์ตามให้ผลเท่านั้นพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ถึงร่มใส่นั่งลงที่ก้อนหินที่เคยพักแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเช่นเวลาเนี้เราคิดอยากจะตายไปให้เสือกัดกินซะด้วย กรรมยังรักษาอยู่ยังไม่ให้ผลไม่ให้ผลในความตายก็เลยไม่ตายคนอื่นที่เขาตายแล้วก่อนเราอยู่ในบ้านในเรือนมีพี่น้องญาติวงพงศารักษาไม่อยากให้เขาตายเจ็บป่วยก็หาอยู่หายาหาหมอมารักษากันไม่อยากให้เขาตายถึงตายไปคนอื่นก็ไม่อยากไม่อยากให้ตายนะตัวคนตายก็ไม่อยากตายแล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครทํา ให้เขาตายแล้วทำไมเขาถึงได้ตายไปแล้วข้อนี้ความเป็นอยู่ได้หรือความตายเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความปกครองต้องการของใครเสแล้วความเป็นอยู่หรือว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมจะให้ผลเป็นส่วนพิเศษนะไม่ใช่ใจนึกเอาเองไม่ใช่ว่าใจนี้ปกครองชีวิตได้โดยเด็ดขาดเช่นใจยังไม่อยากตายเลยพอเจ็บปวดที่ไหนก็นึกหายามาใส่ผลที่สุดก็าตาย อยากดีวิเศษยังไงก็ตายใจเวลาอของเราเวลาเนี่ยนึกอยากตายไม่เห็นมันตายเพราะฉะนั้นควรแล้วหรือที่เราจะมานึกกลัวตายหรือว่าอยากตายให้เป็นทุกข์เปล่าๆไม่เข้าเรื่องเของเราความเป็นอยู่หรือความตายไปเนี่มีตัวกรรมเป็นเจ้าของทําหน้าที่เป็นส่วนพิเศษเมื่อพิจารณาตกลงอย่างนี้แล้วก็รู้สึกหายกลัวแล้วก็ค่ามืดเข้าประมาณทุ่มหนึ่งก็รู้สึกง่วงนอนมากก็นอน หลับลงที่ลานหินนั่นเงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวสดใสก็นึกสบายใจขึ้นประการเดียวชั่วครู่เสือก็คลางขึ้นไกลๆเสียงฮาวหูใจก็นึกขึ้นมาทันทีว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแล้วว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในตัวของข้าพเจ้าใจก็นึกสั่งเจ้าของชีวิตคือเจ้ากรรมในเวรว่าเจ้ากรรมในเวรเอ้ยผู้เป็นเจ้าของแห่งชีวิตบัดนี้เสือมาใกล้เข้ามาแล้ว เห็นสมควรยังไงก็จัดการไปตามเรื่องนั่นแหละนึกแล้วก็นอนหลับต่อไปตอนที่หลับอยู่ก็ฝันว่าช้างเผือกมายกจับยกขึ้นมาทั้งตัวก็้นไนั่งบนหัวก็เดินขึ้นหลังเขาไปพักอยู่ริมต้นม้าใหญ่เย็นเชียบเลยไม่ช้าก็ตื่นพอตื่นก็นึกพยากรณ์ความฝันของตัวว่าเออฝันแบบนี้ปฏิปทาของเราจะเจริญยิ่งต่อไปหรือเปล่า ก็พิจารณาต่อไปว่าแต่ก่อนเรามีความกลัวมาปิดกัน้นสันดานจนนึกอะไรไม่ออกบัดนี้ความกลัวนั้นมันก็ถึงความพ่ายแพ้ไปแล้วบัดนี้เราควรจะบำเพ็ญธรรมบทไหนหนอพิจารณาไปมากขึ้นมากขึ้นก็ระลึกขึ้นได้ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นธรรมอันบุคคลเจริญให้มากแล้วบรรลุธรรมภายในเจ็ดปีบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดวันบ้างนะสติปัฏฐานสี่นี่นะ ต่อจากนั้นอาตอมาก็นั่งสมาธิพิจารณาต่อไปว่ากายก็สักแต่เพียงว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเขาเรียกากายานุปัสนาและเวทนาสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราเรียกเวทนานุปัสนาและจิตก็ไม่ใช่เราก็เรียกจิตตานุปัสนาและธรรมรมที่คิดพลานไปพลานมานีกก็ไม่ใช่เราเขาเรียกธรรมานุปัสนา พอพิจารณาเสร็จลงก็เกิดความสนใจขึ้นมาว่าเราปฏิบัติเพื่อจะละกายซึ่งเป็นมนุษย์ที่เจืออยู่ด้วยความทุกเนี่ยเพื่อจะได้ความสุขอ่าที่จะเกิดพอดีสว่างพอตอนเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านในดีผู้ใหญ่บ้านเพราะแกเห็นเขาแกก็ลงมาจากบ้านเลยมาบอกว่านี่ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ตัวหรื อ, อยังไงว่าบ้าอ่เป็นคนบ้าหรือเป็นคน ชอบคนไม่เต็มเต็งยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จะไม่อยู่อาศัยบ้านนี้ไม่ได้ไปจากหมู่บ้านนี้เสยเดี๋ยวกลับจากบินสบาดฉันเสร็จแล้วเตรียมของหนีไปนะไม่ให้อยู่แล้วหมู่บ้านนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับอาตมาออกจากหมู่บ้านนั้นมาก็เดินทางต่อมาเจอกระทั่งหมู่บ้านชื่อนาบันได เป็นบ้านของพวกขา่าพวกข่านี้ไม่มีศาสนามองเห็นศาลเจ้าของเขาก็นึกว่าเป็นศาลาที่พักนอกบ้านก็ขึ้นพักที่นั่ น, นเวลานั้นประมาณสักห้าทุ่มไม่รู้การปฏิบัติประเพณีของเขาขึ้นไปอยู่บนศาลของเขาแล้วก็เอาไม้แต่งจุดจุดไฟขึ้นที่ศาลเจ้าของเขาพวกชาวบ้านเขามองเห็นก็ถือกระบองหอกดาบเหลา่าแหลนต่างๆมา ทำท่าจะทุบจะตีบางจะควันจะแทงเสร็จแล้วก็พูดไม่รู้ภาษากันเป็นแต่สั่นหัวเท่านั้นเองเขาก็เลยไปตามคนภาษาเขามาถามเป็นภาษาลาวาอ่าจะไปไหนอัจฉมาก็บอกเขาว่าจะไปกรรมาฐานนะคนนั้นก็บอกว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่เจ้าจุดไฟในผิดผีของพวกบ้านเราเนี่ยเจ้าจงไปหาซื้อควายมาเลี้ยงผีเขาก่อนถึงจะไปได้อัจฉรก็บอกอัจฉรไม่มีเงินลอก คนคนนั้นก็เอาย่ามไปดูอ่าไปค้นดูดูบาทดูสายคาดเอวก็ไม่เห็นมีเงินเขาก็เลยขอมีดโกนกับผ้าสะบงอ่ายอมให้แต่ผ้าสะบงแล้วก็เขาก็ตัดผ้าสะบงผืนนั่นออกเป็นส6หท่อนแล้วก็แจกกันในคืนมานั่นถึงได้อาศัยอยู่ที่นั่นตลอดรุ่งพอสว่างตอนเช้าก็เข้าไปบินทบาทก็มีแต่เฉพาะคนภาษาลาวเนี่ยเขาใส่บาทให้มีข้าวก้อนหนึ่งก็ประมาณเท่าไข่เป็ด ก็กลับไปฉันทีิศาลานะ่ะเสร็จแล้วก็เดินต่อไปอ่าไปทางเขาเรียกเขาส้มโรงข้ามเขาไปได้สี่ลูกเรียบไปตามชายเขาพอประมาณห้าโมงเย็นมองหาที่พักประอิญมองไปก็เห็นสมณเณรอง์นึงนั่งนับลูกประคําอยู่เข้าไปถามก็ไม่พูดด้วยเป็นแจะเขียนหนังสือบอกว่าผมอยู่เมืองหงสาวสดีเที่ยวทุดงไปกับอาจารย์บัดนี้อาจารย์ตายซะแล้วยังเหลือแต่ผมคนเดียวบัดนี้อายุผมได้สิบเจ็ดปี จะเที่ยวไปโดยไม่อะไรชีวิตผมชื่อเนรจวงนะคงจะอธิษฐานไม่พูดก็เลยพักอาศัยอยู่ถ้ำเดียวกันในคืนวันนั้นจนตลอดรุ่งพอสว่างรุ่งเช้าสามเณรรูปนั้นก็ควักมือเรียกอาตมานะเรียกว่าสามเณรท่านจงเข้ามานี่พออาตมาเข้าไปถึงสามเณรก็พูดนะทีนี้พูดบอกว่าต่อไปเนี้ยบ้านคนจะห่างแล้ว ถ้าท่านเดินต่อไปเนี่ยเมื่อต้องการอาหารแล้วรุ่งเช้าขึ้นท่านจงฟังเสียงชนีมันร้องเมื่อชนีร้องมากชุมที่ไหนจงเข้าไปที่นั่นเพราะว่าชนีมันกินผลไม้เป็นอาหารท่านไปถึงเมื่อท่านต้องการท่านกูจะได้ฉันผลไม้เป็นอาหารพูดแค่นั้นนะแล้วก็นั่งนิ่งอยู่อาตมาก็เลยขอลาท่านไปสัมามาเนนผ้านั้นก็พูดบอกว่าท่านจะเดินต่อไปท่านจงเรียนพระพุทธมนต์ห้าพระองค์อ่า เรียนจากผมซะก่อนแล้วท่านจะไปด้วยความสวัสดิภาพอาตมาก็ถามว่าแล้วพุทธมนต์นั้นเป็นยังไสงสัมเนนก็บอกว่าณเมตตาโมกรุณพุทธปรานีทายินดียะเอนดูณโมพุทธยะนะอ่าเขาเรียกคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ท่านก็บอกว่าท่านจงจเจริญบ่อยๆท่านจะปลอดภัยอาตมาก็เลยลาเนรูปนั้น แล้วก็เที่ยวต่อไปอีกสามวันก็ยังไม่พบบ้านคนก็ฉันแต่ผลไม้เป็นอาหารในวันที่สี่เดินไปมองขึ้นไปบนยอดภูเขาเห็นต้นยาใหญ่มองไกลๆคล้ายเจดีเพราะฤดูนั้นเป็นฤดูใบยาร่วงอมองแล้วคล้ายๆต้นมะพราะ้าวแต่ว่าต้นมันใหญ่ปลายมันเล็กคล้ายยอดเจดีอตาตมาอุตส่าห์ขึ้นไปดูเห็นใบพร้อมนั้งเปลือกเข้าใจแน่แน่แท้เลยว่าเป็นยา ยาแท้ก็เก็บเอาใบแห้งมาสูบดูก็เป็นรสเมาอย่างยาที่มีอยู่ตามบ้านคนอันตมาภาพก็เอามีดโตเล่มเล็กๆที่ติดย่ามบากต้นยาได้สองกีบก็ถือไปจนค่ำก็ถึงบ้านแห่งหนึ่งมีบ้านอยู่หกหลังคาเรือนไม่รู้ชื่อบ้านอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นขา่าไม่รู้ภาษาอัตมาก็แวะเข้าไปจาวัดอาศัยเงื่อหินที่ชายป่า รุ่งเช้าก็เข้าไปบินธบาตเห็นคนแก่คนหนึ่งนั่งหลามเข้าโพธิ์สาลีอยู่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ห่มอะไรอัตมาก็ไปยืนหน้าบ้านแก่แกก็ควา้าไม้ท่อนฝืนตรงเข้ามาทำท่าจะตีอัตมามองเห็นอย่างนั้นก็หลับตายืนอยู่กับที่ไม่ช้าแกก็ตรงเข้าไปจับชายชีวรแล้วก็พูดขึ้นแต่ไม่รู้แกพูดอะไรอัตมาก็ชี้มือลงในกระบังหลามเข้าโพธิ์แกก็เอามาให้หมดทั้งกระบังเลย อาตมาก็หลีกไปนั่งฉันอยู่ที่ลานหินที่ตะวันออกของบ้านตะแก่นั่นแหละแกก็ตามไปดูแล้วก็คลานเข้ามาจับข่าเท้าของอาตมาแสดงความรักใคร่เสร็จแล้วแกก็หัวเราะขึ้นแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเรียกเพื่อนบ้านมาดูทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่หมู่บ้านนี้ไม่ไ ม, ไม่นุ่งผ้าเลยผลที่สุดมีผู้หญิงจะเข้ามาจับขาอย่างตะแก่นั่นอาตมาก็โบกมือห้ามแล้วก็ตรงไปจับจน มือคนผู้ชายด้วยการให้เข้ามาให้ใกล้ๆแล้วก็บอกมือห้ามผู้หญิงไม่ให้เขาจับผู้ชายพวกนั้นก็ทำท่าจะรู้ความก็เลยห้ามผู้หญิงไม่ให้เข้ามาใกล้แล้วก็มาจับพอตกตอนสายอัตมาก็เข้าไปอาศัยอยู่ถึงเงือมหินที่อาศัยนอนคนพวกนี้ก็ตามไปดูที่นั่นก็มีร่มไรายมีต้นตะเคียนมีบ่อน้าก็ตกลงพักค้างแรมทำความเพียรเจริญอนาปานาสติอยู่ที่นั่น19วัน แล้วก็เดินข้ามเขาไปอีกวันตลอดค่ำไปถึงบ้านขาแห่งหนึ่งประมาณเก้าหลังคาเรือนเขาเรียกขาตาโอยเข้าไปตั้งอยู่ใหม่ก็มีขาสองคนพอพูดภาษาลาวได้ก็ถามว่าเจ้าอยากไปใสอัอตอมาก็บอกว่าจะไปเที่ยวกรรมาฐานแกก็บอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยบ้านคนห่างแล้วก็ส่งภาษากันไม่ถูกเลยอย่าไปดีกว่าครับเราสามเณรบุญนาคจะอยู่หรือจะไปก็เดี๋ยว คุยต่อพรุ่งนี้ก็แล้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับจิตตังทันตังสุขาวะหังแปลว่าจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมแคลวทุกมีความสุขดังอยู่สู่สวรรค์เหมือนบัณฑิต คิดเห็นเป็นสําคัญมีจิตมั่นหนักแน่นไม่แคลนคลอนผู้ไม่ฝึกจิตใจจะไร้ผลรักษาตนมิได้ใครจะสอนดังคนดื้อถือรั้นเที่ยวสัญจรใครจะสอนเตือนตักให้หนักใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องของสัมเนธบุญนาคโคโสกันต่อ ในบันทึกของสมเนินบุญนาโคโโได้กล่าวว่าอาตมาไปถึงบ้าน่าแห่งหนึ่งมีบ้านอยู่ประมาณเก้าหลังคาเรือนเขาเรียก่าตาโอยเข้าไปตั้งอยู่ใหม่มีคาสองคนพอพูดภาษาลาวได้มาถามว่าเจ้าอยากไปใส่อาตมาก็ตอบว่าจะไปเที่ยวกรรมฐานเกก็บอกว่าต่อไปข้างหน้าบ้านคนจะห่าง แล้วก็ส่งภาษากันไม่ถูกเลยอย่าไปดีกว่าตกลงอาตมาก็เลยไปหาถ้ำอาศัยจำมันสาอยู่ใกล้ๆนั้นก็มีคนสองคนใส่บาตให้ฉันอาหารบิณฑบาตก็เป็นข้าวโพดหลามอาตมาอาศัยจำมันสาอยู่ที่ถ้านั้นบําเพ็ญเพียรเพ่งอโปกสินคือเพ่งน้ําเป็นอารมณ์บําเพ็ญอารมณ์ทั้งสองนี้เป็นที่สบายใจ อยู่จำพรรษาที่นั่นก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรมาเบียดเบียนตอนออกพรรษาแล้วห้าวันก็เที่ยวต่อไปอีกข้ามเขาสามลูกแล้วจวนจะข้ามก็ยังไม่พบบ้านคนอาตมาก็แวะขึ้นหาน้ำฉันเพื่อที่จะพักจำวัดที่นั่นด้วยอเอิญไปพบพระหลวงตาองค์หนึ่งท่านหาบตะร้าใหญ่เที่ยวเก็บผลมาเดืออยู่หน้าถ้ำอาตมาจึงถามว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็บอกว่าผมอยู่ในจักรวนันท่านว่างนัน อัตามาก็ตะกายขึ้นไปพักที่ถ้ำวางบาทไว้แล้วก็ไปสงน้ําเสร็จกลับมาพระหลวงตาองค์นั้นก็มาพักที่ถ้ำเดียวกันจําวัดด้วยกันในถ้ำนั้นท่านเรียกอัตามาไปเรียนคาถาด้วยท่านบอกว่าคาถาสําเร็จคือจะปรารถนาอะไรก็สําเร็จตามประสงค์มีใจความว่าโอมอุอะมะนะโมพุทธายะ ส, สุมังว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าให้เนนเจริญเป็นนิดเนนจะสมหวังด้วยความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า พออาตมาเรียนจำได้แล้วท่านก็ลงไปเวล า, าตีหนึ่งคืนวันนั้นอาตมาถามว่าท่านจะไปไหนท่านก็บอกว่าจะไปเที่ยวในจักรวัรอาตมาถามว่าท่านชื่ออะไรท่านก็บอกว่าผมชื่อพระอย่างนี้แล้วก็เดินเรื่อยไปตามชายเขาส่วนอาตมาก็าจำวัดอยู่ที่นั่นจนสว่างมีงูตัวหนึ่งโตประมาณหนึ่งจับเรื่อยมาเอาหางมาสอดเข้าที่น่องเท้าของอาตมา แล้วก็รัดแน่นอยู่ไม่ช้าก็แลบผางออกมาแย่ไปตามตัวตามรักแร้อยู่นานสว่างขึ้นมาจึงคลายตัวออกแล้วก็เลื้อยเข้าไปในถ้ำนั้นต่อจากนั้นอาตมาก็ลุกขึ้นฟังเสียงชนีร้องมากที่ไหนก็ไปที่นั่นเพื่ออาศัยฉันผลไม้เป็นอาหารตามที่เนนพมา่าเคยสอนไว้เพราะว่าป่าดงเหล่านั้นมีผลไม้ครบทุกชนิด กล้วยขนุนส้มลูกวรลงลูกมะเดือ่อรือว่าส้มจีนนมีมากมายชนิดชนีก็กินไม่หวัดไม่ไหวอัตมาก็เก็บผลไม้นะั้นเป็นฉันเป็นอาหารแล้วก็เดินต่อไปอีกสามขืนก็ยังไม่พบบ้านคนไปพบคนจํานวนหนึ่งไม่มีบ้านไม่มีเรือนอยู่อาศัยตามถาม้ำตามเขากินผลไม้เปลือกไม้เป็นอาหารไม่นุ่งผ้านุ่งพ่อนเลยส่วนลูกอ่อนของเขาเขาเอารังพึ่งที่มันรางแล้ว เหลือแต่รังแห้งๆแล้วเอามาห่มให้แล้วก็ปูให้เด็กนอนพอไปพบเข้าเขากลัวแตกตื่นวิ่งหนีทิ้งไม้สีไฟแล้วก็เครื่องมือใช้สอยและรังพึ่งรางแล้วก็วิ่งหนีไปอาตมาก็เข้าไปตรวจดูก็เห็นชัดว่าพวกเขากินผลไม้และเปลือกไม้เป็นอาหารอาตมาเดินผ่านข้ามเขานนั้นไปอีกสามคืนถึงเมืองพาบังมีวัดและเจดีย์โบสถ์และศาลามี พระศาสนาอย่างเมืองเราแต่ว่าพระเนรเมืองนั้นฉันข้าวตอนค่ำแล้วก็จับต้องสตรีในอาวาสไม่เป็นอบัตินะแต่ถ้าไปจับต้องสตรีนอกอาวาสจึงจะเป็นอบัติอาตมาพักอยู่ที่นั่นส6บหวันถูกเจ้าอาวาสไล่หนีเพราะเห็นว่าแข่งดีเขาเพราะฉันหุนเดียวประเทศนั้นเป็นคนยางมีคนลาวเมืองหล่มคนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นพอสรงภาษากันได้ อาตมาก็ห น, นีจากที่นั่นเดินข้ามเขามาอีกสองคืนไปพบหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านป่าเหล็กมี40สบหลังคาเรือนเป็นคนพวนส่งภาษาลาวได้แต่ไม่มีวัดพวกนี้ทำไร่ข้าวโพดกินเป็นอาหารและมีบึงน้ำใหญ่ในระหว่างดงป่าไม้ใกล้กับตีนเขาอาตมาพิจารณาเห็นว่าที่นี่จะเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมดีก็เลยพักอยู่ที่นั่นอีกประมาณ13าเดือนตกลงจำรรษาที่นั่นอีกราษาหนึ่ง บำเพ็ญใจให้นิ่งอยู่ที่ลมสุดลมสุดก็คือที่ว่างตรงสะดือรู้สึกว่าได้ความสบายมากเพราะว่าจิตนิ่งอยู่ที่อันเดียวได้ความว่าทั้งโลกนี้เป็นทุกข์ก็เพราะใจใจทํางานคือมันคิดไม่หยุดตกลงคนทั้งโลกนี้ก็เป็นทุกข์เพราะใจเท่านั้นจะเป็นสุขก็เพราะใจเท่านั้นจิตนี้นํามาซึ่งอารมณ์เป็นที่พอใจก็เป็นสุขขึ้นเมื่อจิตนํามาซึ่งอารมณ์เป็นที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เท่านั้น สาธุชนผู้ปฏิบัติทางใจมีสติเป็นหลักฐานพอเป็นที่อาศัยจิตให้จิตเฉยเมย อ, อยู่ไม่ให้นําจิตนํามาซึ่งอารมณ์เป็นที่พอใจและอารมณ์ไม่เป็นที่พอใจวางจิตเฉยอยู่ที่อารมณ์อันเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนจิตไม่นํามาซึ่งอารมณ์ทั้งสองส่วนทั้งพอใจและไม่พอใจทุกจะมาทางไหนเมื่อจิตเฉยอยู่ที่อันเดียวได้สับว่าวิหารติแปลว่าย่อมอยู่สบาย คำว่าสบายศัพท์นี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขเฉยๆความสบายนี้เป็นความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกตกลงอาตมาก็บันเพลียนโดยวิธีวางจิตอยู่ถ้ำชื่อถ้ำนางแพงอยู่จนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็เที่ยวไปตามภูเขาอีกประมาณห้าวันไปถึงภูเขาลูกหนึ่งชื่อภูเขาอ่างเพราะมีหนังสือจารึกเป็นแ ผ, แผ่นแผ่นศิลาเป็นตัวลาว อ่านได้ความว่านี่ภูเขาอ่างเงินเป็นที่พักของพระองค์เจ้าที่ดาเมตและที่นั้นมีบ่อน้ําใหญ่ไหลออกมาจากภูเขาแต่น้ํานั้นฉันไม่ได้เพราะว่ากลิ่นข่าวคล้ายๆกับน้ําล้างไส้เดือนถึงจะล้างมือล้างเท้าก็เหม็นติดมือติดเท้าเพราะถูกกลิ่นก็ทนอาเจียนไม่ได้อาจจะมาเห็นน้ําเหม็นอย่างนั้นก็พักพิสูจน์ดูว่าน้ํานี้จะเป็นเพราะอะไรจึงข่านัก ก็นั่งเข้าที่อยู่ที่นั่นประมาณห้าโมงเย็นเสียงน้ำหยุดไหลลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นน้ำไหลไม่ช้าก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งตัวคล้ายปลาไหลออกมาจากช่องนั้นใหญ่ประมาณสี่จับยาวประมาณสิสองซอกมีสีเหมือนกับอิฐคือมันแดงบ้างเหลืองบ้างบางตัวก็เป็นสีน้ำเงินเลือ้อยลงไปสู่บึงที่มีในภูเขานั้น ต่อจากนั้นอาตมาก็เดินขึ้นไปหาถ้ำสําหรับที่จําวัดเพราะว่าเดือนมืดจะเดินกลางคืนจะเห็นจะลําบากพอขึ้นไปบนหลังเขาก็ไปพบพระรูปหนึ่งชื่อสาธุวัต ด, ดีท่านบอกว่าท่านอยู่เมืองหลวงพระบางเป็นพระลาวขณะนั้นอายุของท่าน25ปีพอดีท่านถามอาตมาว่าเนนเที่ยวมานานแล้วได้คุณวุฒิอะไรบ้างอาตมาก็เล่าตามเรื่องที่เป็นมาของตัวให้กับท่านฟัง ท่านก็แนะนำว่าบุคคลผู้บาเพ็ญเพียรอันเป็นบุพเพของตนมาเป็นมาแล้วอย่างไรคนนั้นจะมีความเพียรก้าวหน้าไม่ท้อถอยเพราะว่าชาติที่เป็นมาแล้วสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเมื่อเห็นอย่างนี้ว่าความเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ในโลกมีพบอันไม่ปกติผู้นั้นจึงกล้าต่อความเพียร น, นั่นเงในโลกนี้เหตุนั้นผู้เห็นบุพเพนิวาสานุสติแล้ว คือเห็นชาติก่อนชาติที่ผ่านมาจึงมีความเพียรก้าวหน้าไม่หยุดผู้บำเพ็ญทั้งหลายเมื่อชำนาญการวางจิตแล้วควรจะบำเพ็ญปัญญาจักรสุอันนี้ให้เจริญขึ้นจึงไม่ท้อถอยต่อการบำเพ็ญต่อจากนั้นอาตมาภาพก็ถามท่านว่าปฏิบัติมาควรแก่การบำเพ็ญแล้วหรือยังท่านบอกว่าการวางจิตของเนนก็ชนานาญบ้างแล้วแต่ขาดปัญญาจักสุ เหตุนั้นควรจะอบรมปัญญาจักสุให้กล้าก่อนจากนั้นท่านก็แนะนําเรื่องของปัญญาจักสุพอสมควรแล้วท่านก็แสดงฤทธิ์ของท่านบางสิ่งบางอย่างเช่นหายตัวคือขณะนั้นไปเที่ยวบินธบด้วยกันอาตมาเดินตามหลังท่านท่านเดินก่อนทายกเขาไม่เห็นอ่าเข้าบินธบดีก็ไม่ได้ได้เฉพาะแต่อาตมาผู้เดินตามหลัง ที่ถ้านั้นมีบ้านอาศัยบินทบาทหหลังคาเรือนทําไร่ข้าวเป็นอาชีพของคนชาติพวนต่อไปนั้นอาตมาก็พักศึกษากรรมาฐานกับท่านองค์เนี้ยอยู่16วันหมายถึงพระราวรูปนี้จากนั้นก็ออกเดินตามคลองน้ําชายฝั่งเป็นถนนคือท่านเดินใต่หลังน้ําไปการเดินบนน้ําเป็นของสุดวิสัยของอาตมาที่จะตามได้จึงเป็นนะว่าหมดหนทางจะตามท่านไปด้วย ตอนนั้นไปอาตมาก็เดินไปตามเขาอีกสองวันไปถึงเมืองวังไปพักอยู่ถ้ำเต่างอยไปเที่ยวบินทบาทบ้านแดงทางประมาณร้อยเส้นที่นั่นมีบ่อน้ําอาศัยเป็นที่สบายแก่การบําเพ็ญสมณธรรมอาตมาภาพก็พักทำความเพียนเพ่งกรสินอาโปธาตุบางทีก็เพ่งอากาศธาตุบ้างบําเพ็ญอยู่ที่นั่ น, นสองพรรษาเกิดเรื่องอธิกรณ์สี่ครั้งคือไปอยู่ที่แรกเจ้าคณะแขวงเรียกเข้าไปในเมือง ตรวจดูใบสุทธิอาตมาก็บอกไม่มีอุปชาเจ้าคณะแขวงบอกว่าเนนต้องเข้ามาอยู่วัดด้วยหมู่คณะอย่าไปอยู่ถ้าอยู่ภูเขาคนเดียวไม่สมควรอาตมาภาพบอกว่าผมบําเพ็ญกรรมาฐานขอใต้เท้าจงให้โอกาสแก่ผมบ้างท่านบอกว่าบําเพ็ญอะไรข้าไม่รู้ถ้าเป็นพระเป็นเนนแล้วควรจะเข้าไปอยู่ในวัดทางนั้นอาตมาได้ยินคําอันนี้ก็นึกขึ้นได้ว่าที่เนี่คงจะเป็นอุปสรรคแก่การบําเพ็ญสมณธรรมแน่ๆแต่เราก็ทนอยู่ได้ เราก็จะได้บําเพ็ญขันติบรารมีเมื่อคิดขึ้นมาอย่างนี้อาตมาก็กราบลาท่านเพื่อจะออกไปอยู่ถ้ำตามเดิมท่านบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องเข้าอยู่วัดนะอย่าไปอยู่ป่าอยู่เถื่อนตามลําพังของตัวเพราะเป็นเนนต้องอยู่ในบังคับของพระท่านไว้ยอย่างนั้นอาตมาก็นิ่งไม่พูดออกจากวัดของท่านก็กลับเกาไปอยู่ตามาที่ถ้ำตามเดิมอธิษฐานไม่พูดจะบําเพ็ญแต่สมณธรรมส่วนเดียวใครจะว่าอะไรก็ไม่พูดด้วย ตอนนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญความเพียร อ, อีกสิบกว่าวันเจ้าคณะแขวงใช้พระไปบอกให้เข้ามาอยู่วัดอัตมาก็นั่งเข้าที่ทำสมาธิเรื่อยไปไม่พูดด้วยพระที่ไปทํำก็ไปบอกแก่เจ้าคณะแขวงว่าเนนเป็นแต่นั่งสมาธิหลับตาอยู่ไม่พูดด้วยวันหลังต่อมาเจ้าคณะแขวงก็ให้นายตำบนไปบอกให้หนีถ้าไม่หนีต้องไปหาเจ้าคณะแขวงในวันนี้ อาตมาภาพก็เข้าไปหาเจ้าคณะแขวงในเมืองแต่ว่าไม่พูดท่านถามว่าจะหนีเหร อ, อก็ไม่พูดจะเข้ามาอยู่ในอาวาสด้วยไหมมาอยู่วัดไหมก็ไม่พูดท่านถามอะไรอะไรก็ไม่พูดท่านก็ดุด้วยคำหยาบคายหลายอย่างนักเข้านั่งสมาธิอยู่ที่นั่นตลอดวันตลอดรุ่งวางจิตอยู่ไม่ให้จิตตามเอาอารมณ์อะไรทั้งหมดเข้ามาสิงอยู่ภายในใจก็รู้สึกสบาย แล้วก็ทําความเข้าใจว่าคําพูดอะไรทั้งหมดเนี่ยสักเป็นแต่เพียงเสียงเป็นธาตุอันหนึ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่ว่าเสียงนั้นเป็นที่พอใจแห่งตนก็ว่าเสียงนั้นดีเสียงอันใดไม่เป็นที่พอใจของตนก็ว่าเสียงนั้นชั่วที่จริงเสียงนั้นจะได้เป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายก็หาไม่ได้ทั้งโลกนี้จะเงียบจากเสียงไม่มี ที่เงียบไม่ได้ก็เพราะหูเรายังมีอยู่เข้าบ้านก็มีเสียงคนออกป่าดงก็มีเสียงสัตว์เช่นอยู่ป่าสัตว์บางชนิดร้องเสียงเป็นที่ไพเราะพอใจเราก็ว่าเสียงดีบางทีเสียงสัตว์บางตัวร้องขึ้นไม่เป็นที่พอใจเกิดความกลัวเราก็ว่าเสียงนั้นชั่วร้ายครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ สามเณรบุญนาคพิจารณาเรื่องเสียงลมพัดต้นไม้เสียงออดแอดนิดหน่อยเป็นที่พอใจน่าฟังก็ว่าเสียงนั้นดีหากเกิดเป็นพายุลมพัดมาแรงเสียงครุนครุนไปหมดเราก็กลัวก็ว่าเสียงนั้นร้ายหรือว่าชั่วที่จริงเสียงหรือหูเท่านั้นที่เป็นไปตามธรรมดาของโลก พออาตมาได้พิจารณาอย่างนี้ก็มีความอิ่มอกอิ่มใจไม่ได้โศกเศร้าเสียใจในกิริยาที่ใครๆขู่เข็นดุดันต่างๆไม่ช้าอาตมาก็ไปพักจำวัดอยู่ที่โบสถ์หลับไปฝันเห็นเทวดาเหาะมาทางอากาศมาบอกอาตมาว่าดูก่อนเจ้าสมณีนจะมีผู้มาขัดขวาง ต่อปฏิปทาของท่านอย่างน่าพิศวงใจอาตมาก็ตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาว่าอะไรจะขัดขวางข้อปฏิปทาของเรายิ่งกว่าความตายไม่มีแม้แต่เสือทาท่าจะกัดอยู่เราก็สละชีวิตมาหลายหนแล้วไม่ได้ทอดทุระเลยว่าจะไม่ปฏิบัติศีลธรรมต่อไปอีกแต่นี่แค่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็คงไม่เป็นไรแอย่างมากที่สุดก็ฆ่าให้ตายเท่านั้นเอง แต่ถึงค่าให้ตายชีวิตนี้ถึงไม่มีคนฆ่าก็ตายเองอยู่แล้วส่วนความดีคือศีลธรรมเราไม่ปฏิบัติเอาก็ไม่ได้ตกลงว่าเราจะหวงชีวิตอันจะตายเองอยู่เปล่าเปล่ามาละศีลธรรมอันเป็นที่พึ่งทั้งในพบนี้พบหน้าอันนี้ไม่เป็นการบังควรเลยพออาตมาตกลงอย่างนี้แล้วก็ออกจากโบสถ์เข้าสู่ถ้ำที่อยู่ตามเดิมบําเพ็ญเพียร พ, พิจารณาอนัตตาธรรมเป็นลําดับไป ไม่ได้เพ่งกสินอย่างเก่าโดยเหตุว่าปัญญาเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เนื่องจากอุปสรรคไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายแก่ข้อปฏิบัติเขาบำเพ็ญอยู่ที่นั่นตลอดจนฤดูแรงต่อมาฤดูฝนจวนจะเข้าบัรษายาหลวงเมืองวังอ่าทางไทยเขาเ ร, าเรียกในอำเภอทางลาวเขาเรียกยาหลวงอาเภอนี้ต้องการจะพบสัมเนนกรรมาฐานที่ไม่พูดอยู่ถ้ำเต่างอย ก็เลยให้ตำรวจไปเอาตัวของอาตมาไปที่ว่าการอำเภอแล้วก็ซักซต์ไต่ถามด้วยอัดด้วยทมเป็นต้นว่าศีล ส, สิบกรร ม, มบทสิบอะไรเหล่านี้เป็นต้นกรรมฐาน4ี่สิบคืออะไรบ้างอาตมาก็นั่งพิจารณาว่าคนเช่นนี้ไม่ใช่ผู้ถามเพื่อปฏิบัติมาถามเพื่อทดลองเล่นเท่านั้นเมื่อจะกล่าวแก้หรือก็ไม่เห็นประโยชน์แก่ผู้มาถามด้วยนะแล้วเราก็ตัวเราเองก็ไม่มีประโยชน์ คงเป็นเพียงแต่จะพูดให้เขาเห็นดีตนเท่านั้นเองตกลงดีหรือชั่วเราก็ปฏิบัติเอาเท่านั้นจะได้มาจากคำพูดให้ผู้อื่นเห็นดีให้ก่อนถึงจะดีก็ห้ามไม่ได้จะชั่วก็ห้ามไม่ได้พอพิจารณาอย่างนี้อาตมาภาพก็นั่งนิ่งเฉยไม่พูดแหนมเพอก็บอกว่าคนอย่างนี้จะเป็นพระเป็นเนนได้ยังไงทั้งหูหนวกทั้งบ้าทั้งใบอะไรอย่างนี้ อาตมาภาพก็พิจารณาขึ้นว่าเอทักท้วงภายในจิตของตนว่าอันนี้เขาว่าใครจิตรับว่าเขาว่าว่าให้ท่าสี่คือรูปเมื่อไม่มีท่าสี่คือรูปนี้เราก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ว่าอเพราะเราเป็นจิตไม่มีตัวเขาก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเขาจะว่ากับใครหูเท่านั้นเป็นผู้ได้ยินเขาดูถูกก้อนธาตุเขาไม่ได้ดูถูกใจเพราะใจไม่มีตัวเขามองไม่เห็นเขาจะดูถูกเรายัางไงไะ ก็ว่าเราหูหนวกพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟังนะต่อมาอาตมาก็หลับตาลงนั่งขัดสมาธิขึ้นแล้วก็อยู่ทั้งวันตลอดค่าจนคืนตลอดรุ่งสว่างพอดีก็ออกไปนั่งอยู่ที่วัดมีคนเขาเอาข้าวมาให้ฉันอาตมาภาพฉันแล้วก็กลับไปสู่ถ้ำตามเคยจากนั้นก็บําเพญ็ญเพียรพิจารณาวิปัสนาภูมิตั้งแต่ขันห้าเป็นต้นไปอยู่ต่อไปจนจวนเข้ารรษาเข้ารรษาแล้วสองวัน นาอำเภอวังก็ใช้ให้ตำรวจไปเรียกอาตมาภาพไปยังที่ว่าการอำเภออีกพอไปถึงแกก็สั่งว่านเน้นจงเข้าจำมันสาที่วัดเดิมไปจำมันสากับพระทั้งหลายได้ยินไหมอาตมาภาพก็ได้แต่ยิ้มเท่านั้นไม่พูดด้วยแกก็หัวเราะอ่าโดวยว่าคนพูดได้ยินกันอยู่ านอำเภอบอกต่อไปว่าการอยู่อย่างนั้นมันผิดต่อการปกครองบ้านเมืองเหตุนั้นขอให้เจ้าสมาเนรยงกลับไปอยู่วัดตามเดิมพูดไปอาตมา ก, ก็นั่งหลับตาขาดสมาธิตามเคยแกก็บอกตำรวจบอกว่าเนนอวดดีแต่หลับตาเท่านั้นเอาไปขังไว้ที่ห้องขังสักสองสมวันดูหรือจะใช่คนบ้าหรือคนดีแล้วตำรวจก็จับมืออาตมาไปยังห้องขังแล้วก็ขังไว้ อาตมาก็นั่งสมาธิไปตามเคยก็พิจารณาว่าอุปสรรคเกิดขึ้นมาอย่างนี้เขาขังเราครั้งนี้เพื่อจะสังเกตว่าเราบ้าหรือว่าเราดีตกลงในใจว่าควรทําตนเป็นคนบ้าเสียดีกว่าเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ปฏิปทาของตัวเมื่อเขาเห็นว่าเราเป็นบ้าแล้วเขาก็คงจะปล่อยเราตามเรื่องตอนนั้นอาตมาภาพก็ทําเหมือนดุดบ้าพูดคนเดียวบ้างหัวเราะคนเดียวบ้างเมื่อเขาเอาอาหารมาให้ก็พูดกระถ้วยกระชามไปตามเรื่อง ตำรวจได้เห็นอาการอย่างนั้นก็นําความไปบอกแกนําเพอว่าบ้าแน่นอนจะเอาเรื่องคนบ้าได้หรือเสียประโยชน์เปล่าๆบอกในบัญชีว่าบ้าก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องตอนนั้นเขาก็ปล่อยอาตมาภาพอาตมาภาพก็กลับไปอยู่ถ้ำตามเคยแล้วก็ทําเป็นดีแต่ไม่พูดตอนนั้นไปคนนอกเมืองทั้งในเมืองบางคนก็ว่าบ้าบางคนก็บอกบอกไม่บ้าตกลงส่วนมากว่าไม่บ้า บ้าทำไมจะประพฤติศีลธรรมเรียบร้อยมีคนไปห า, ารู้จักผมผ้าทรงสบงจีวรทำท่านั่งรับแขกโดยเรียบร้อยเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นเองต่อมากลางมันษามีคนมาทําบุญสิบกว่าคนแสดงตัวว่าผมเชื่อว่าท่านไม่ใช่คนบ้าโดยเหตุที่ท่านรักษาศีลธรรมมีมารยาทเรียบร้อยทั้งนั่งทั้งเดินพร้อมกับการเที่ยวเดินบินบาติก็มีอินทรีย์สงบสงี่ยมแต่ว่าเขาอยากจะทราบความจริง ขอให้อัตมาจงแก้ความสงสัยให้แก่เขาตอนนั้นอัตมาก็ทำหัวเราะยิ้มยิ้มนะแล้วก็น้อมอาหารบิณฑบาตถวายอัตมาฉันเสร็จแล้วก็ยาถาสัพพีโมทนาให้พรโยมเขาอัตมาก็เตือนโยมคนนั้นว่าโยมเอ้ยจงรู้ได้โดยเหตุมีประมาณเท่านี้ก่อนต่อไปจะรู้ได้ใกลชิดเพราะอีกภรพษาที่สอง ตกลงอาตมาจะจำมัษ า, าบำเพ็ญบารมีอยู่ที่นี่ประมาณ 2, สองพันษาเท่านั้นว่าแล้วอาตมาก็นั่งนิ่งอยู่โยมก็บอกว่าโยมเท่าหมดความสงสัยว่าบ้าแล้วเชื่อว่าไม่บ้าโยมเท่าขอเป็นโยมอุปถักจนกว่าเจ้าสมณเณรจะจากไปตอนนั้นโยมเท่าคนนั้นแกก็อุตส่าห์ไปใส่บาตรยกสํำรับไปทุกวันทุกวั น, วนเสร็จแล้วก็มีพวกคณะญาติของแกนะมีความเชื่อถื อ, อในตัวแก แล้วก็มีความเชื่อว่าอาตมาไม่บ้าก็มาบําเพ็ญบุญบา ร, รมีต่างคนต่างก็มีความเชื่อมากขึ้นมาทําบุญวันหลายๆคนจนตลอดพรรษาพอออกพรรษาแล้วนามเพอได้ข่าวว่ามีคนไปทําบุญด้วยวันหนึ่งหลายคนก็นําคนเหล่านั้นไปสอบสวนที่ว่ากาันว่าพวกเธอทั้งหลายไปเชื่อสามเณรบ้าด้วยเหตุอะไรโยมแก่คนนั้นก็ตอบนามเพอบอกว่าเนนไม่บ้านะเนนเที่ยวบําเพ็ญบุญบา ร, รมีในศาสนานี้ นายเภอก็ให้คนนำตัวของอาตมาไปยังที่ว่าการอำเภออีกเมื่อไปถึงคราวนี้นา อ, เอำเภอทําการปฏิสันทานมีน้ําฉันมีหมากพลูบุรีแล้วอาราธนาศีลขึ้นอาตมาก็ให้ศีลแก่พวกข้าราชการหลายคนซึ่งอยู่ในที่ว่าการนั้นเสร็จแล้วก็แกก็อาราธนาให้เทศต่อไปอาตมาก็พิจารณาอยู่ใน ใ, นใจว่าหากเราแสดงธรรมขึ้นในเวลานี้บางคนก็จะเชื่อถือมากขึ้นบางคนก็จะนินทา แล้วก็เบียดเบียนว่าเราอวดรู้อวดฉลาดเป็นแค่เนนแต่ว่าแสดงธรรมอวดชาวบ้านแล้วมันก็จะเป็นภัยแก่ความสงบอย่างหนึ่งคือคบหาสมาคมเพื่อฟังเทศนาบ่อยๆเราก็จะมัวแต่รับแขกไม่ได้ทําความสงบไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาส่วนผู้นินทาว่าเราอวดรู้อวดฉลาดเขาก็นําเรื่องนี้ไปเล่าด้วยความไม่พอใจของตนว่าเราแสดงตัวเป็นคนมีบุญอย่างนั้นอย่างนี้ เพลอก็จะโดนข้อหาผีบุญเข้าอีกเที่ยวสั่งสอนประชาชนเราก็จะถูกต่สวนเป็นอันตรายแก่ความสงบอีกอย่างหนึ่งพิจารณาอย่างนี้แล้วอาตมาก็นั่งนิ่งอยู่ไม่ได้พูดอะไรน้ยเำเภอก็บอกว่านิมนต์แสดงธรรมครับขอเชิญเทศอาตมาก็บอกว่าการสแสดงธรรมนี้อาตมาภาพของงดไวเมื่อต่อไปข้างหน้าคือพรรษาที่สองเมื่อออกพรรษาแล้ว30วันนั่นแหละอาตมาจึงจะสแสดงธรรมที่ถ้ำเต่างอย ถ้าท่านทั้งหลายมีความประสงค์จะฟังก็จงไปฟังที่นั่นตอนนั้นอาตมาก็นั่งนิ่งไม่ได้พูดอะไรต่อไปแหนมเพอแกกคนนิมนต์อีกเป็นครั้งที่สองว่าขอท่านจงแสดงเดี๋ยวนี้ตอนนั้นไปอาตมาก็นั่งขัดสมาธิหลับตาเท่านั้นไม่ได้พูดประมาณสักชั่วโมงหนึ่งคนก็ไปกันอาตมาภาพก็กลับไปถ้ำตามเคยบาเพ็ญสมณธรรมต่อไปจนตลอดฤดูแล้งฤดูฝน ก็ได้รับความสงบทั้งภายนอกภายในใจต่อไปจนออกพรรษารวมเป็นพรรษาที่สี่แห่งการออกเที่ยวดูดงคราวนี้นับแต่ออกพรรษาเดือนสิบสองวันเพ่นก็มีผู้คนไปทำบุญเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนาด้วยจนกระทั่งในอาเภอเมืองวังนี่ก็ออกไปด้วยเมื่อฉันเสร็จก็มีคนอาราธนาธรรมอาตมาภาพก็เลยแสดงธรรมในข้อที่ว่าสุขขินทรียังทุก ข, ขินทรียัง มาอยู่ปรามัญจะวิญญาณังอธิบายว่าความสุขซึ่งเป็นของมีจริงทั้งเป็นใหญ่ด้วยแต่ไม่เที่ยงเป็นความทุกข์ทางกายทางใจก็มีจริงทั้งเป็นใหญ่ด้วยแต่ก็ไม่เที่ยงถูกหลอกเจ้ามายาคือวิญญาณังเจ้าวิญญาณเนี่ยตามรู้แจ้งว่าสิ่งนี้เป็นสุขก็เข้าอาศัยความสุขที่มาถึงพร้อมชั่วขณะจิตก็หายไปเพราะความสุขอันเกิดแก่ความพอใจอันเนื่องมาจากความคิดในอารมณ์อันเป็นที่พอใจ แล้วก็สุขหรืออิ่มใจขึ้นเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแล้วก็เสื่อมไปเพราะว่าเขาเป็นของไม่เที่ยงประเดี๋ยวก็ไปฉวยเอาความคิดและอารมณ์อันอื่นขึ้นม า, าเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วประเดี๋ยวทุกข์นี่ก็หายไปก็ไปฉวยเอาอารมณ์อันอื่นอีกตกลงความสุขอันเกิดจากความยินดีและพอใจในสิ่งที่ตัวต้องประสงค์เท่านั้นจัดเป็นที่พึ่งแน่นอนอย่างไม่ได้บรรดาสาธุชนในโลกนี้ต้องการความอิ่มใจ ต่างก็เคยพบเคยเห็นมีความสุขมีความอิ่มใจมาแล้วทุกคนไม่ใช่เหรอความสุขและความอิ่มใจอันนั้นต่างคนก็รู้แล้วว่าเป็นของดีทำไมถึงไม่คิดแล้วก็ถือเอาความสุขนั้นไว้ประจำสันดานจนตลอดชีวิตข้อนี้ก็เนื่องจากความไม่เที่ยงอันเป็นความจริงของโลกนั้นเองมาตัดรอนให้จิตใจแปรผันไปหน่วงเหนียวยึดเอาความคิดความเห็นอันไม่พอใจขึ้นมาให้เป็นทุกข์ในสันดานนะ ใจคอไม่สบายประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะ่ะก็ได้พบเห็นสิ่งที่เป็นความสุขก็ได้หัวเราะพอใจก็กลับมีความสุขแช่มชื่นขึ้นมาอีกเหตุนี้สังขารคือความคิดความนึกปรับปรุงขึ้นมามันก็เป็นเจ้ามายาเจ้าเล่เจ้ากนก็คือมายุบมันจะสังขารา ตกลงถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อปีหรือพันปีก็ดีปรุงแต่งแต่สุขหรือทุกข์เท่านั้นลวงตัวเล่นอยู่หาที่พึ่งไม่ได้แล้วแต่สังขารมันจะปรุงให้ร้องไห้ก็ร้องไห้สังขารจะปรุงให้หัวเราะก็ออหัวเราะขึ้นเท่านั้นฉะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเ ท, ทศานาสรรเสริญความสงบจิตว่าความสงบนี่เป็นยอดคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อจิตสงบกายสงบวาจาสงบใจก็สงบอ่าศีล ส, สังวร ใจสงบการรักษาศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจสงบเท่านั้นเหตุนั้นท่านจึงรักษาศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจสงบเท่านั้นไม่ต้องไปอ่านหรือนับว่านี่ศีลนี่สมาธินี่ปัญญาไม่ต้องไปคิดเมื่อรักษาจิตใจให้สงบแล้วก็บริบูรณ์พร้อมทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วเมื่อไม่มีปัญญาจิตก็ไม่สงบเมื่อปัญญาทําจิตให้สงบได้แล้วศีล ส, สมาธิก็บริบูรณ์ขึ้นไปในขณะนั้น สาธุชนผู้ต้องการอยากเป็นผู้มีศีลมีสมาธิในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วขอท่านจงสแสวงหาครูบาอาจารย์แนะนําทางปัญญาหาอุบายจะทําให้จิตสงบทําได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะท่านจะเป็นผู้บริบูรณ์ไปด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเสร็จแล้วพอเทศเสร็จอัตมาก็นั่งสมาธิหลับตาเรื่อยไปก็ยังมีคนศรัทธาขอปวารณาเป็นอุปถักและขอขมาโทษที่ได้ดูหมิ่นประมาทต่างๆขอให้เน้นจงงดโทษแก่ฆ่าทั้งหลาย ต่อไปก็มีคนมาทําบุญมากแล้วก็ขอฟังธรรมทุกวันอาตมาภาพอยู่ไปอีกสามวันเท่านั้นพิจารณาเห็นว่าเราก็เป็นผู้ฝึกหัดอยู่จะมาตั้งตัวเป็นคนรับแขกเป็นครูบาอาจารย์คุกครีอย่างเนี้ยเป็นอันตรายแก่ความสงบเป็นที่ตั้งแห่งความกำเริบของวิญญาณเพราะฉะนั้นเราควรจะหลีกไปเสียดีกว่าต่อมาเป็นวันคํารบแปดฉันบินทบาสเสร็จอาตมาภาพก็ลาโยมเหล่านั้นไป รู้สึกก็มีบางคนบ่นว่าอ่าเราไม่รู้จักว่าท่านมาบำเพ็ญบุญบารมีเลยต่างคนเข้าใจว่าท่านบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมืองครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับจากนั้นสามเณรบุญนาคก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางหนองน้ำจันทร์ท่านเล่าไว้ว่า อาตมาเที่ยวไปทางหนองน้ำจันไปพักที่ป่าช้าบ้านหนองน้ำจันอยู่ก้าวันพระครูเขียวไปไล่หนีบอกว่าเนนเนี่ยเหรอเขาว่าเป็นบ้าอยู่เมืองเรารู้เรื่องของเนรแล้วอ่าอันนี้ลหละเป็นบ้าไม่ใช่สามเณรในาศาสนาหรอกอ่าแต่เป็นคนบ้าเอาพระเหลืองมาห่มเพราะฉะนั้นเนรจงหลีกไปเถอะอย่าได้อยู่ในท้องถิ่นที่นี้เลยอาตมาก็ตอบท่านองค์นั้นว่า คำว่าสัมมาเนนมาจากส ม, มณะแปลว่าผู้สงบใครเป็นผู้สงบผู้นั้นแหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าสั ม, มเนนหรือว่าส ม, มาณะบุคคลผู้มีอิจฉาและโลภอยู่คนนั้นจะศีรษะโล้นก็ไม่ชื่อว่าส ม, มาณะโดยพุทธภาษิตว่าพภพภโตอริกังพนังอิจฉาโลภสามาปันโนกิงสมโรภวิสติแปลว่าบุคคลผู้มีความอิจฉาและมีความโลภอยู่ไม่รักษาทุดงขวัต จะชื่อสมณะอย่างไรได้พอพระครูเขียวได้ยินอย่างนี้ท่านก็โกรธหาว่าดูหมิ่นท่านว่าท่านไม่รักษาทุดงไม่ชื่อว่าเป็นสมณ ะ, ะท่านก็ถามว่างั้นพระที่ไม่ทุดงก็ไม่ชื่อว่าสมณะด้วยหรือเนนอาตอมาก็ตอบท่านว่าหนึ่งเป็นผู้มีความอิจฉาสองเป็นผู้โลภเป็นผู้ไม่รักษาทุดงคือความสงบ ผู้ขาดคุณสมบัติทั้งสามนี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่านไม่ชื่อว่าสมณะตามบาลีที่มีมาในธรรมบทว่าอย่างนี้ครับท่านพระครูโกรธใหญ่บอกว่าบ้าบ้าอะไรมาอ้างศัพท์อ้างแสงอ้างคัมภีธรรมบทภาคนั้นภาคนี้วักนั้นวักนี้จะมาแข่งดีกับพระหนองน้ําจันทร์หรือเนเรนอันตามาก็บอกว่าความแข่งดีเป็นอุปกิเลส16บหกการแข่งดีเป็นกิเลสอันหนึง่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเลยครับ ผมพูดในที่นี้ผมพูดตามศัพ บ, บาลีหรือความเป็นจริงเท่านั้นคนที่มีกิเลสในสันดานได้ยินเข้าก็าจะเกิดความกุ่นข้องอ่าเพราะความจริงมันเข้าไปถึงสันดานคนมีกิเลสตัวกิเลสมันก็ดิ้นรนออกมาเท่านั้นแะครับท่านพระครูเขียวยิ่งโกรธใหญ่อ่าหาว่าอาตมาดูหมิน่นท่านว่าไม่ใช่สมณะเป็นทั้งเจ้ากิเลสด้วยท่านก็เลยนาตัวอาตมาเข้าไปที่วัดของท่านแล้วก็ขังไว้ในโบสถ์เพื่อไต่สวน อตาตมาภาพก็นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมในโบสถ์เรื่อยไปไม่พูดกับใครต่อไปอีกสองวันท่านก็นําตัวไปไต่สวนอตาตมาก็ไม่พูดมีิจะนั่งหลับตาทําสมาธิผลที่สุดท่านก็ตัดสินลงโทษว่าให้อตาตมาขนดินขนสายเข้าวัดแล้วก็ถามว่าเนนยอมตัวไหมอตาตมาก็ไม่พูดเป็นจะนั่งหลับตาวางจิตไว้ภายในใจเรื่อยไปตกลงท่านก็มอบให้ฝ่ายบ้านเมืองนําตัวไปพิสูจน์ว่าเป็นคนยังไงแนะ่ นายตำรวจก็นำตัวอาตมาไปขังไว้ที่เรือนจำมองสารเมืองสองคอนได้สองวันในอำเภอเมืองสองคอนก็นำตัวอาตมาไปยังศาลเพื่อชำระคดีเรื่องนั้นไปกับท่านประครูเขียวเจ้าคณะแขวงเมืองสองคอนในอำเภออันคดีฟ้องเสร็จก็ถามอาตมาว่าว่าท่านประครูอย่างนี้หรือเปล่าอาตมาบอก ว, ว่าอย่างนั้นจริงแต่ว่าไม่ได้ว่าท่านประครูท่านในอำเภอก็ถามว่าเนนว่าใคร อาตมาก็ตอบว่าอาตม า, าพูดจากปากของอาตมาเองไม่ได้ว่าให้ใครแล้วก็ไม่ได้ออกชื่อของใครว่าคนชื่อนั้นชื่อนี้ไม่รักษาทุดงแล้วก็มีความโลภและความอิจฉาแล้วจะไม่ได้ชื่อว่าสมณะนี่นเป็นแต่อาตมาว่าไปตามคาถาธรรมบทพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เท่านั้นท่านพระครูเขียวท่านก็ อบอกว่าเวลาไม่พูดนะมันก็ไม่พูดถ้าพูดมันก็เล่นสัมนวนจริงหรือเปล่าเนนอตาตมาก็ตอบว่าจริงครับจริงตามความประสงค์ของท่านแต่จะจริงตามคําของพระพุทธเจ้าก็หาไม่ได้ท่านก็ถามต่อไปว่าจริงคําของพระพุทธเจ้านั้นยังไงอตาตมาก็ตอบว่าจริงคือความดับนั่นแหละเป็นความจริงของพระพุทธเจ้าท่านถามต่อไปว่าดับอะไรอตาตมาก็ตอบว่าดับความโกรธและความจองล้างจองผลาญ จึงได้นามว่าสาวกะคือสาวกผู้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านถามต่อไปวันเนนดับได้แล้วฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าถ้าผมดับความโกรธและความจองล่างจองผานกับคนอื่นได้ก็ได้ชื่อว่าผมดับแล้วฟังคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าผมดับไม่ได้ผมก็ยังคงไม่ดับนั่นเองท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนนดับได้ไหม อา <tinc S 1> ตมาก็ตอบว่าถ้าผมดับความโกรธของผมได้เดี๋ยวนี้ผมก็ดับได้ถ้าผมดับยังไม่ได้มันก็ยังอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเนนเป็นอรหันต์แล้วเหรอเขาถามอย่างนั้นอาตมาก็ตอบว่าถ้าผมสิ้นอาสวะผมก็เป็นพระอรหันต์ถ้าผมยังไม่สิ้นอาสวะผมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็ถามอีกว่าแล้วเนนสิ้นอาสวะแล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าถ้าผมสิ้นไปแล้วจากอาสวะอาสวะมันก็หมดไปจากผม ถ้าผมยังไม่สิ้นจากอาสวะอาสวะก็ยังอยู่ที่ผมตอนนั้นในอำเภอเมืองสองคอนก็บอกว่าหยุดก่อนครับท่านพระครูอย่าเร่งถามเนนนักในเรื่องอย่างนี้ผมเข้าใจดีว่าเนนไม่ใช่คนบ้าหรอกอท่านองค์นี้เป็นนักพรตคือผู้บำเพ็ญเพียรในศาสนาแน่นอนเพราะว่าผมได้ศึกษามาแล้วบ้างตอนนั้นในอำเภอก็ถามว่าเนนอายุเท่าไหร่อาตอมาก็บอกว่าเวลานี้อายุสังขาร18ปี แหน่เพอก็บอกว่าผมขอนิอนมนต์เนนอยู่วัดในเมืองนี้ได้หรือเปล่าอาตมาก็ตอบว่าได้ได้แต่เฉพาะที่วันที่อาตมาภาพมาอยู่แต่ถ้าอาตมาภาพหนีแล้วก็เป็นอันว่าไม่ได้อยู่นะตอนนั้นไปทางศาลก็ตัดสินใจ ย, ยกเลิกว่าไม่จำเป็นจะเกี่ยวข้องอกับอาตมาเพราะว่าเห็นเที่ยวบำเพ็ญส่วนกุศลเท่านั้น เขาก็บอกว่าท่านจะไม่หวังว่าจะอยู่ในท้องถิ่นเขตแดนของใครจะไปหรือจะอยู่ก็แล้วแต่เรื่องของท่านเท่านั้นตอนนั้นก็เลิกแล้วกันไปอัตมาก็เลยเที่ยวไปแขวงสุวรรณเขตแล้วข้ามฝั่งแม่น้ําโขงเที่ยวไปตามดงปังอีไปถึงเขาสีฐานพักบําเพ็ญอยู่ที่นั่นสามเดือนมีบ้านค่าอยู่ตามชายเขาหลายหลังคาเรือนแล้วก็มีหลายบ้านการบําเพ็ญอยู่ที่นั่นได้ทดลองกําลังใจโดวยวิธีอดข้าวสาวันจึงฉันหนุนหนึ่ง เพราะว่าอยากจะทราบว่าเราปฏิบัติมานานปีเพียงนี้เราจะมีกําลังของขันติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราอาจจะมีอุบายระ ง, งับเวทนาแก้หิวข้าวแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อเวทนาใหญ่คือความตายจะมาถึงะจะไม่ซ้ำร้ายเพรหิวข้าว3วันนี่หรือเราทดลองในเวลาอย่างนี้เมื่อเวทนากล้าจนถึงตายมาถึงข้าวเราก็จะรู้ได้อย่างไงว่าเราอาจจะวางจิตให้ล่วงทุกขเวทนาแบบนี้ได้หรือเปล่า พอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีสมวันจึงจะฉันหนหนึ่งอยู่ที่นั่นสามเดือนเพระอเอิญพวกข้าพากันแตกตื่นว่าผู้มีบุญไม่ฉันสามวันยังเดินได้คล่องต่างก็พากันมาเฝ้าดูกันแน่นอาตมาก็บอกว่าอาตมาบำเพ็ญขันติบารมีไม่ใช่มีบุญมีบาปอะไรหรอกเป็นสมัมมเนนภาวะในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเสมอด้วยสมัมเนทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปตามวัดนั่นแหละ เขาก็ไม่เชื่อก็ยิ่งแตกตื่นกันมากเฝ้าอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนอาตมาภาพพิจารณาเห็นว่าจะเป็นอันตรายแก่ความสงบก็เลยหลีกไปเสียจากที่นั้นข้ามไปทางภูเขาคอแขวงอำเภอนาแก่ไปพบพระองค์หนึ่งเป็นพระกรรมฐานพักอยู่ที่ถ้ำพระเวทชื่ออาจารย์หลายอาจารย์หลายนี่คนเล่าลือว่าท่านรู้หัวใจคนผู้ไปหา อาตมาก็คิดปัญหาสี่ข้อว่าจะไปศึกษากับท่านคือจิตรวมหนึ่งจิตอยู่หนึ่งจิตเข้าสู่ผวังหนึ่งจิตเป็นสมาธิหนึ่งนี่มันต่างกันยังไงและคุณสมบัติจะพึงได้พึงถึงของขณะจิตทั้งทั้งสี่เนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าพอคิดไว้แล้วก็เดินไปหาท่านพระกราบลงเท่านั้นที่กูเราะยิ้มยิ้มแล้วก็พูดไวยังไงปัญหาสี่ข้อที่ทําความสงสัยมานั้นนะ่ะยกขึ้นมาสนทนากันได้ ความจริงนะ่ะอาตมายังไม่ได้ถามท่านยกขึ้นมาปรารภเสียก่อนส่วนอาตมาทั้งนี้ก็กระดากใจขึ้นมาว่าแม้ว่าท่านรู้จริงแล้วอาตมาก็ขอรัตนาท่านแสดงมีนัยยะต่างกันพร้อมทั้งคุณสมบัติของจิตทั้ง4ี่ขณะจิตต่อนน้นอาตมาก็มีความเลื่อมใสในข้อปฏิบัติของท่านอาจารย์หลายขอเรียนกรรมาฐานอยู่กับท่าน16วันพอดีอาตมาก็ป่วยหนักลง แล้วก็ท่านก็จากไปในวันนั้นก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยท่านก็สั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอ่าเราจะไปแล้วเนนอยู่ถึงเนนป่วยเนนก็ไม่เป็นไรในชีวิตนี้เนนจะต้องได้บวชเป็นพระภิกษุแต่ก่อนมาทุกชาติเนเนได้บวชและบําเพ็ญมาอย่างนี้ร้อยสอชาติแล้วแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระสักทีครบอายุ189กก็ตายซะก่อนด้วยบุพกรรมของเนน เคยเป็นเสือโคร่งใหญ่บรรพิตเอชาติทำลายชีวิตที่มีคุณทั้งหลายเพื่อเอามาเป็นอาหารด้วยกรรมมันมนั้นมาขีดขั้นทำให้ชีวิตสัน้นจึงยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระสักทีบัดนี้เนนพ้นจากเวรอย่างนั้นแล้วต่อไปก็จะมีปฏิปทาอันสะดวกดีแล้วก็พึงได้อุปสมบทเป็นพระตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปแล้วท่านก็ทำนายต่อไปว่าเนนมีนิสัยเสือโคร่งเป็นสันดาน เพราะเนรเกิดเป็นชาติเสือติดๆกันทั้ง11ชาติก็คือหนึ่งมีน้ำใจกล้าหาญสองชอบเที่ยวกลางคืนสบายประกลางวัน 3. ถ้าได้ที่อยู่ซ่อนเร้นสงัดจากคนจิตจะเป็นที่สบาย 4. ได้ลงมือทำอะไรแล้วผิดหรือถูกก็ถอนได้ยากเพราะทำอะไรมักอยากจะให้อยู่ในการร ม, มือของตัวค่อนข้างจะกล้าไปได้โทสะสักหน่อยแต่ว่าพยายามไปเถอะอายุสปีจะมีความรู้ความเห็นเป็นที่อุ่นใจ ตอนนั้นท่านก็เดินเที่ยวไปตามชายบุเขาอัตมาภาพก็นอนป่วยอยู่ที่นั่น4วันก็รู้สึกทุเลาลงพอจะไปเดินบินธบาตได้อัตมาก็ทําำบมเพียญอยู่ที่นั่นทั้งหมด1ปีกับ6เดือนรู้รับความสบายกายสบายใจอ า, อาศัยบินธบาตบ้านแก้งจากทางถ้ำถึงบ้าน100รเส้นระหว่างบําเพ็ญอยู่ที่นั่นได้11เดือนฝันเห็นคนมาบอก ให้ไปเอาพระพุทธรูปออกจากถ้ำใสมาบอกทุกวันจนแทบจะนอนไม่หลับหลับลงก็ปรากฏคนมาบอกทันทีเลยตกลงอาตมาภาพก็เข้าไปในถ้ำนั้นเข้าไปในถ้ำลึกประมาณสามเส้นเศษก็เห็นแผ่นทองฝังตั้งอยู่จารึกไว้เป็นตัวหนังสือลาวใจความว่าพระภิกษุอ่อนพรรษาเจ็ดได้สร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ที่นี้ตั้งแต่ พระพุทธเจ้านิพพานแล้วห้ายดปีจากนั้นอาตมาก็คลานเข้าไปอีกประมาณสองเส้นเห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กับรูปลอเสือเหลืองตัวหนึ่งและมีงูเหลือมจริงตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้านั้นครับอะไรจะเกิดขึ้นกับสมมเนนบุญนาควันนี้เวลาหมดแล้วพบกนใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ โยปุเพกตะกัลยาโนกัดโถมนุพุชติแปลว่าบุคคลผู้มีความสำนึกถึงผู้มีคุณแก่ตนบุคคลนั้นย่อมมีความเจริญในเบื้องหน้ารู้บุญคุณของท่านในการก่อนระลึกย้อนได้หมดกำหนดไว้ตอบแทนคุณท่านบ้างอย่างตั้งใจตามวิสัยมุ่งมั่นกระตันอยู่ รู้คุณแล้วรู้ตอบให้ชอบที่ประโยชน์มีได้หมดไม่อดสูเพราะมีคุณสําคัญกระตันอยู่ทุกคนผู้ชายหญิงไม่ชิงชังพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเล่าเรื่องสมณเนรบุญหน้ากันต่อครับสมเนรบุญหน้าเข้าไปในถ้ำ เข้าไปประมาณสามเส้นเสร็จเห็นแผ่นทองฝังตั้งอยู่จารึกไว้เป็นตัวหนังสือลาวใจความว่าพระภิกษุอ่ อ, อนพรรษาเจ็ดได้สร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ที่นี่เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วห้าร้อยยี่สิบเอ็ดปีต่อจากนั้นท่านก็คลานเข้าไปอีกประมาณสองเส้นก็เห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่กับเสือทองเหลืองตัวหนึ่ง แล้วก็มีงูเหลือมตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้า น, นั้นท่านก็หยิบเอาแต่พระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระประลอดเอามาไว้บูชาแต่อยู่ในถ้าก็หลายวันท่านเล่าบอกว่าอาตมาก็ถือเอาเฉพาะแต่พระประลอดองค์นึงกับดาบเล่มหนึ่งมีแผ่นทองหนักสิบสองบาทนายห้อยอุ่นบ้านซองไปล่าเนื้อไปแวะเห็นเข้าขอดูว่าเป็นทองแท้แล้วก็ขอ อาตมาก็เลยให้ไปส่วนพระประหอดนั้นถึงกำหนดที่อาตมาจะเที่ยว อ, ออกทุดงไปจากที่นั่นมานิมิตขฝันว่ามีคนมาห้ามไม่ให้เอาพระประหอดไปด้วยพร้อมทั้งดาบอาตมาก็ขืนไว้ที่เก่าแล้วก็เที่ยวไปที่ภูเขาเคาะที่ถ้ำไสอาศัยบินทบาดแถวหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านคิวไปพักทาความเพียรที่นั่นด้วย ได้นิมิตฝันเห็นแต่งูมารัดแทบทุกวันบางวันก็ละเมอจนร้องไห้ก็มีเพราะฝันแล้วน่ากลัวฝันว่างูรัดแน่นไปจนจะหายใจไม่ออกแล้วก็ละเมอร้องออกมาแรงๆเมื่อตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระอธิษฐานว่าข้าพเจ้ามาบำเพ็ญบา ร, รมีอยู่ที่นี่เป็นเพราะเหตุใดหนอจึงได้ฝันอย่างนี้ทุกวันหากข้าพเจ้าจะถึงแก่ความเสื่อมหรือความเจริญสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงรดนบันดาลให้ข้าพเจ้าทราบเหตุในวันต่อไปพอค่ำวันนั้นประมาณทุ่มหนึ่งก็จำวัดฝันเห็นพระหลวงตาแก่ๆมาบอกว่าจงระวังเนนมาอยู่ที่นี่อีกสี่วันเนนจะเห็นคู่กรรมคู่วาสนาแล้วเนนจะร้อนใจเพราะผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็ตื่นนอนต่อจากนั้นอาตมากลุกขึ้นทาความเพียรเดินจงกรมไปตามเรื่องอีกสี่วัน พอดีบินธบัตกลับมาพระเอญผู้ใหญ่บ้านคิ้วมาทำบุญมากับลูกสาวคนหนึ่งอายุยี่สิบปีพอมานั่งลงเท่านั้นมองเห็นหน้าหญิงคนนั้นยังไม่ได้พูดอะไรก็เกิดประม่าใจขึ้นมีความรู้สึกว่าจะรักก็ไม่ใช่จะเกลียดก็ไม่เชิงใจคอว้าเววูบวาบจนรู้สึกว่าหายใจไม่รู้อิ่มใจคอก็ไม่หนักแน่นอย่างแต่ก่อน อาตมาก็นั่งพิจารณาอยู่โอ้คงจะเป็นนี่ละมั้งตรงกับความฝันของเราเมื่อวันที่ผ่านมานี่ว่าจะพบคู่วาสนากู่กรรมตอนนั้นโยมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเขาก็ถามเรื่องบ้านเกิดเมืองเกิดบิดามารดาของอาตมาแล้วแกก็ปรารภว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงผมเห็นคุณเนนไปเที่ยวบินทบาตตตั้งแต่วันที่มาถึงทีแรกจนกระทั่งบัดนี้รู้สึกนึกรักคุณเนนคล้ายๆกับลูกของตัวจริงๆ ส่วนผู้หญิงซึ่งเป็นลูกสาวคนนั้นก็พูดว่าฉันเองก็ไม่รู้เป็นยังไงนับแต่วันได้เห็นท่านเข้าบินธบัตจนบัตดนี้ก็รู้สึกรักท่านยิ่งกว่าพี่ชายน้องชายของตัวท่านก็เป็นคนหนุ่มหนุ่มทำไมเที่ยวกรรมาฐานนอนตามถ้ำ ต, ตามเขาคนเดียวข้อนี้เองที่เป็นเหตุให้ดีชั้นสงสารมากขึ้นแทบน้ําตาจะร่วงว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วอาตมาก็นั่งพิจารณาภายในใจว่าเอ้านับแต่วันแรกที่เกิดเป็นมนุษย์มา ไม่เคยเลยที่เราจะคิดชอบคิดรักกับคนจนหายใจไม่อิ่มอย่างนี้ไม่คอ่ไม่มีเลยแต่ก็ไม่พูดอันนี้เป็นแต่คิดในใจเท่านั้นแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเราจะหาคำพูดอันหนึ่งอันใดไม่ให้เป็นที่พอใจรักใคร่กันต่อไปอีกพอนึกขึ้นมาแล้วก็ขมใจพูดเหมือนกับว่าไม่มีความยินดีสักนิดเดียวพูดว่าโยมผู้ใหญ่พร้อมทั้งอ่ลูกสาวเนี่ยเป็นคนโง่าขาวเบาปัญญา จะมีความรักทั้งทีทำไมจะมารักของทิ้งคือรูปโฉมสาระร่างกายนี้ทั้งของโยมทั้งสองทั้งของอาตมาต่างก็จะพากันเอาไปฝังดินทิ้งทุกคนไม่ใช่หรอเมื่อถึงที่สุดต่างคนต่างเขาจะเอาไปฝังดินทิ้งอยู่แล้วประโยชน์อะไรจะมาคิดรักของทิ้งกันเล่นเปล่าๆใครก็อยู่ไปจนกว่าจะเอาไปทิ้งกันเท่านั้นแหละสิ่งที่ควรก็คือจะรักแต่ศีลธรรมเท่านั้นไม่ควรจะรักรูปร่างกระดูกหรือว่ารูปโฉม มันเป็นของที่จะทิ้งลงสู่พื้นดินทุกคนไปเสร็จแล้วอาตมาก็ฉันบินทบาทนั้นเรื่อยไปพออิ่มเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านยาก็ถามว่านี่คุณเนนไม่คิดจะศึกบ้างเหรออตมาก็ตอบขึ้นในทันใดบอกว่าอาตมาไม่ได้บวชเพื่อจะศึกบวชเพื่อจะบําเพ็ญกุศลบา ร, รมีเท่านั้นไอความคิดศึกนี่ยังไม่ได้คิดไว้เลย อาตมาคิดไว้เพียงแต่ว่าการบวชของเรามีประโยชน์แล้วก็ธุระจะบำเพ็ญส่วนกุศลเท่านั้นธุระหรือประโยชน์นอกนั้นไม่ใช่งานของนักบวชจึงไม่ได้คิดไว้ว่าแล้วอาตมาก็ให้พรยถาสัพพีพอเสร็จหญิงสาวคนนั้นก็พูดสอดขึ้นว่าคุณเนนามัวแต่จะเพียรสร้างบารมีนานเข้าก็จะคิดลืมศึกเนี่ยเดี๋ยวจะแก่ซะก่อนตอนนั้นอาตมาก็นึกขึ้นได้ว่าพูดในเรื่องนี้จะเป็นอันตรายแก่ความสงบ ต่อจากนั้นก็เลยนั่งสมาธิเรื่อยไปไม่พูดทั้งสองพ่อลูกเห็นอาการอย่างนั้นก็ชวนกันกลับบ้านอาตมาพอคนทั้งสองกลับไปแล้วก็รู้สึกคิดถึงผู้หญิงคนนั้นจนรู้สึกหายใจไม่อิ่มแล้วก็ใจคอ ว, าว้าเหวมากนั่งก็ไม่นานนอนก็ไม่หลับฉันข้าวก็ไม่ได้เพราะปรากฏเหมือนกับหัวใจมันแขวนแล้วเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเป็นลูกตุ้มนาฬิกาอย่างนี้เป็นอย่างนี้สองวันรู้สึกเป็นทุกข์มาก อาตมาก็ดําริว่าประโยชน์อะไรเราจะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์อย่างนี้เราตายเสียในเร็วๆนี้จะไม่ดีกว่าหรือหากเราจะศึกไปครอบครัวงคารวะาเนี่ยอไปเป็นคารวะาไปเป็นชาวบ้านก็ต้องทําปานาติบาตเป็นอาชีพเราก็สร้างบาปกรรมขึ้นอีกขว่าชีวิตนี้จะสิ้นไปเราก็จะมีบาปกรรมเป็นที่อาศัยไปข้างหน้าสู้ว่าเราตายซะก่อนอย่าได้ทันทําบาปกรรมเลยฉวยเอาสิน ร, รมที่เราได้ประพฤติมาแล้วเนี่ย เป็นที่อาศัยไปซะก่อนดีกว่าเราจะก่อนที่เราจะศึกออกไปสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปอีกออหลายปีหลายเดือนเมื่อพิจารณาตกลงอย่างนี้แล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากความรักซึ่งเกิดกับหญิงคนนี้ไม่ตายไปจากจิตใจของข้าพเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงตายไปเสซะก่อนภายในสิบวันนี้จงอย่าได้ทันศึกไปทําบาปกรรมทั้งหลายเหล่าอื่นต่อไปอีกเลย เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ตั้งใจว่าหากไม่หายจากความรักหญิงคนนี้เราจะไม่ฉันข้าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าชีวิตนี้จะตายไปเสียก่อนต่อจากนั้นอาตมาก็ตั้งหน้าไม่ฉันข้าวอดไปได้ห้าวันฉันแต่น้ำอยู่ถึงวันคารบห้าก็สังเกตภายในจิตใจว่าความรักและคิดถึงนะมันเบาแล้วหรือยังรู้สึกมั น, ม, นมันหนักแน่นอยู่เสมอเก่า ไม่ลดไปเลยก็เลยนึกขึ้นมาว่า เ, เราอดแต่ข้าวยังฉันน้ำอยู่ชีวิตก็จะตั้งอยู่ได้นานความรักมันก็จะกำเริบเรื่อยไปอยากละนั้นเลยต่อไปนี้เราจะไม่ฉันทั้งข้าวทั้งน้ำให้ชีวิตนี้ตายไปเสียเร็วๆหากความรักอันนี้ยังไม่เบาลงหรือว่าหายไปจากสันดานเราเมื่อไหร่เราก็จะถึงวันตายหรือจนกว่าความรักจะหายไปจากสันดานต่อไปเมื่ออดทั้งข้าวทั้งน้าอยู่อีก วนวัรู้สึกว่าเมื่อนอนหลับหายใจเข้าออกลำคอแหง้งเสียงหายใจดังโวกโวกตื่นนอนขึ้นก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าความรักใคร่อย่างนั้นก็ยังปรากฏอยู่พิจารณาว่าแม้ความรักใคร่และความกระสันอันนี้จะมีรากลึกลงไปแก่ชีวิตถึงขนาดนี้เชียวหรือตกลงว่าเอาเถิดหากชีวิตกับความรักอันนี้จะถอนจากความเป็นอยู่ในชีวิตนี้พร้อมกันแล้วตายไปก็ตาม ขอแต่อย่าทันได้ศึกออกไปทำบาปกรรมเราอื่นอีกหากเราตายไปเสียเวลานี้อย่างดีเพราะว่าเราเกิดมาในชาตินี้ยังไม่ได้สร้างบาปบาปก็จะไม่ได้มีแก่เราเราได้สร้างแต่ส่วนเป็นกุศลคือศีลธรรมบุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้จะเป็นของเราเพราะว่าเราสร้างไว้แล้วสู้ว่าเราตายไปแล้วช่วยเอาบุญไปสู่สุคติก่อนอย่าทันให้ดึงเอาเราไปสร้างสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมเลย เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าอดต่อความหิวนั้นอีกวันหนึ่งจนค่ําก็รู้สึกหายใจไม่ไหวมันตึงไปถึงสะดือเลยแต่อย่างนั้นความกระสันก็ยังปรากฏอยู่บ้างแต่ว่าเบาบางลงที่สุดต่อไปตอนกลางคืนประมาณห้าทุ่มรู้สึกหายใจผิดปกติไหลทั้งสองหอบขึ้นด้วยคือสูบเอาลมหายใจแรงๆก็ไม่ปรากฏว่ามีลมเข้าไปปรากฏแต่ลมออกเป็นส่วนมาก ขณะนั้นจึงรู้สึกว่าความกระสันนี่หายไปเป็นเย็นขึ้นตามเนื้อตามตัวอ่ามันมีอะไรแปลกๆคล้ายๆจะอาเจียนแต่ไม่อาเจียนเป็นแต่เย็นขึ้นมาไม่ช้ารู้สึกหายใจสูบลมหายใจเข้าออกได้รู้สึกแค่หนะ้าอกขึ้นมาถึงลำคอแต่ไม่ถึงท้องอย่างแต่ก่อนหนักเข้าหายใจเข้าออกอย่างแรงก็ปรากฏว่ามีลมเข้าออกด้วยรู้สึกปลายจมูกตึง เหงื่อไหลออกมาอ่าแล้วก็มันเปียกไปทั้งศีรษะรู้สึกว่าความรักความกระสันเช่นนั้นขาดขาดไปจากสันดานคือความเป็นอยู่ในขณะนั้นไม่ช้าก็ปรากฏมีแสงคล้ายกับแสงหิ่งห้อยออกจากตาลืมตาอยู่ก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่แสงชนิดนั้นหลั่งไหลออกจากลูกตามีทั้งสีแสดสีแดงดําขาวเขียวครบทุกสีลอยขึ้นข้างบนลูกตาก็เลือกขึ้นข้างบนตามแสงอันนั้น รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อื่นวิญญาณทางตาของเราออกไปแล้วไม่ช่าวิญญาณทางหูก็จะดับก็เป็นอันว่าเราตายไปเท่านั้นทีนี้ความกระสันยิ่งไม่ปรากฏก็นึกทดลองน้ำใจดูว่าศึกถ้าศึกไปเอ า, อาผู้หญิงคนนี้รู้สึกขณะนั้นจิตใจไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยเป็นอันขดาดมีแต่ความวิงเวียนเท่านั้นเองจึงกาหนดได้ว่าเรายังไม่ตาย ความรักความกระสันเช่นนั้นตายไปก่อนแล้วมิฉะนั้นเราก็ควรจะกลับฉันน้ําเสียในเวลานี้พอให้ชีวิตนี้ตั้งอยู่กว่าจะถึงเวลาเช้าจึงไปบินทบาทมาฉันนึกแล้วก็คว้าเอาน้ําที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่มาฉันเมื่อฉันน้ําร่วงลงไปในท้องรู้สึกท้องลั่นบุบว่าบุบว่าปรากฏลำไส้เหมือนกับมันหมุนเป็นขดข ด, ขดขึ้นมาแล้วเร้อออกมาสองสามพัก รู้สึกหายใจสะดวกดีลงถึงที่สะดือเมื่อหายใจสูดดมดแรงก็ดูเหมือนที่สะดือจะพุ่งออกแล้วก็หยุดรู้สึกมีกำลังพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ตอนนั้นก็คลานไปที่บ่อน้ำฉันน้ำให้อิ่มสงน้ำพร้อมเสร็จแล้วอตอนนั้นเช้าตรู่สบายเดินได้แข็งแรงพอสมควรก็ออกไปบินสบัดวันนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ ต่อจากนั้นสมมเณรบุญนาคก็ฉันข้าววันละเจ็ดคำฉันอยู่ส5บห้าวันก็รู้สึกเบากายเบาใจหายจากความอาลัยในความกระสันรักใคร่ตอนนั้นก็เที่ยวไปตามหลังเขาได้สามวันถึงภูเขาชื่อภูเขากูดพักบําเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นเกิดสัญญาวิปลาสสัญญาว่าตัวเป็นผู้วิเศษจำพรรษาอยู่ในที่นั่นกลางพรรษานั้นได้พิจารณาเรื่องของศาสนาได้ความว่า เวลานี้มีภิกษุเป็นมหาโจรป้นพระศาสนาคือภิกษุประพฤติผิดพระธรรมวินัยทำการซื้อถูกขายแพงประจบประแจงชาวบ้านซื้อมาอัวควายขับขี่เป็นพาหนะสะสมเงินทองสิ่งของไว้เป็นทุนเป็นกำไรอาศัยได้ทรัพย์ไปจากพระพุทธศาสนาที่เขานำมาบูชามาถวายเมื่อตัวยังเป็นบรรพชิตอยู่พอด้แล้วก็ลาสิขานาเครื่องบูชาที่เขาให้แต่ยังเป็นพระ ไปเป็นทุนค้าขายในคราวที่ตัวศึกออกไปเท่านั้นตกลงผู้บวชในศาสนาจะสแสวงหาพระนิพพานนั้นเป็นส่วนน้อยผู้บวชแสวงหาแต่ลาบยศเป็นส่วนมากพระพุทธศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นลทัทธิอันนี้พระพุทธเจ้าวางไว้เพื่อกุลบุตรผู้ต้องการความพ้นทุกข์เท่านั้นไม่ได้วางไว้เพื่อให้เป็นทุ่งนาหากินของบุคคลผู้เพ่งต่อความโลภ บัดนี้มีพระภิกษุบวชอาศัยในพระพุทธศาสนาเพ่งต่อความโลภมากจนเป็นหมอดูเป็นหมอยารักษาโรคเอาปัจจัยเงินทองของชาวบ้านยังมีการซื้อถูกขายแพงเข้าอีกหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอันตรายแก่พระพุทธศาสนาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ตกลงออกพรรษาแล้วจะเที่ยวประกาศพระพุทธศาสนาพร้อมทาสังขยนาครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็ลงไปจากเขา ไปบ้านชักชวนพี่ชายออกเที่ยวกรรมฐานแล้วบอกว่าไม่ช้าจะพาทรรมสังขยนาปรับปรุงใหม่ทั่วประเทศไทยพี่ชายก็ติดตามไปถึงอำเภอท่าบุงมีโยมหลายคนมาฟังธรรมเทศนามีนายพิมพนายอินเป็นต้นวันใดแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อประกาศพระาศาสนาตามความสำคัญวิปรารของตัวว่าธรรมวาติโนพุพลาโหรติ วินยวาธิโนภะระอันโตโหติแปลเอาเนื้อความว่าในการก่อนพระธรรมวาทีมีกําลังกล้ารักษาธรรมวินัยในศาสนานี้เรียบร้อยเป็นที่น่าเลื่อมใสบูชาบัดนี้อธรรมวาทีคือภิกษุโจรปล้นพระศาสนามามีกําลังกล้าเบียดเบียนประพฤติย่ํายีพระธรรมวินัยให้เสื่อมสูญเป็นตัวอย่างแก่กุลบุตรผู้บวชเมื่อภายหลัง ฝ่ายญาติโยมก็กลายเป็นเดรัจฉีให้กำลังแก่พระอรชีประพฤติย่ำยีพระพุทธศาสนาเช่นนำพระให้เป็นหมอดูหมอขับพูดผีปีศาจแล้วก็ทำการติดต่อยืมเงินยืมทองของพระไปเป็นทุนซื้อขายแบ่งทุนแบ่งกำไรกันและกันอันนี้แหละฝ่ายพระก็เป็นอรชีฝ่ายโยมก็เป็นเดรัจฉีโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวช่วยกันย่ายีพระพุทธศาสนาเป็นมหาโจปรปล้นพระศาสนาทั้งนั้น ตกลงว่าท่านเหล่านี้เมื่อทำการกริยาตายไปแล้วจะไปตกมหาอาเวจีนรกโดยโทษประพฤติเป็นอลัลจีย่ำยีประธรรมวินัยให้เสื่อมสุดชำรุดไปต่อ น, นั้นก็แสดงไปหลายนยะอเนกประสงค์พอเทศจบลงมีคนแสดงความเลื่อมใสมากขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในระาศาสนาเสหมเพื่อชำระบาปกรรมที่ได้ทำมาแล้วอย่างนี้ ต่อจากนั้นก็แสดงทำไปหลายในยอนเนกประสงค์ว่าไปตามเรื่องตามราวพระเทศจบลงมีคนแสดงความเลื่อมใสามากขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในพระาศาสนาเสียใหม่เพื่อชำระบาปกรรมที่ได้ทำมาแล้วอย่างนี้นะก็มีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมากนอกนั้นเขาก็ว่าแสดงทำกระทบกระทั่งไม่เรียบร้อยจนกระทั่งเจ้าคณะแขวง ก็เข้าใจว่าแกล้งสแสดงทํากระทบท่านสั่งไปกับประหลัดขวาว่าให้สัมเนนหนีไปซะดีกวา่ามิฉะนั้นจะเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายขุน ค, คีรีสมนานการก็นําความอันนั้นมาแนะนํากับอาตมาว่าเจ้าคณะท่านเคืองขอเนนจงหลีไปเสียก่อนต่อ น, นั้นขุนคีรีสมนานการก็เล่าให้ฟังว่าเวลานี้ยังมีอาจารย์สองท่านคือพระอาจารย์สิงห์องค์หนึ่งพระมหาปิ่นองค์หนึ่ง ท่านฝ่ายใจในทางนี้ขอให้สา ม, มเณรจงไปหาท่านเหล่านั้นเถอะเวลานี้ท่านอยู่ที่จังหวัดขอนแกน่นอาตมาก็ได้รู้มาเหมือนกันว่าท่านเหล่านี้รักษาทุดงแล้วก็มุ่งประโยชน์ในพระาศาสนาอาตมาก็เดินทางจากอำเภอท่าบุ๋งสามเืนไปถึงจังหวัดขอนแกน่นได้ทราบว่าพระอาจารย์สิงห์และอาจารย์มหาปิ่นพักอยู่ที่ปา่าช้าอาตมาก็ตรงเข้าไปศึกษาได้ความพระเถระทั้งสองพร้อมด้วยสานุสิษ์ทั้งหลาย ประมาณเจสบรูปซึ่งปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยก็อยู่กันที่นั่นตอนนั้นอาตมาก็น้อมตัวเป็นศิษย์ของท่านและพระเถระทั้งสองแล้วก็ลาท่านไปบําเพ็ญอยู่ปา่าช้าบ้านนูนรังพรรษาหนึ่งในกลางพรรษานั้นบําเพ็ญเพียรไปก็เพียงแต่ตระหนักไว้ในใจว่าเมื่อออกพรรษาแล้วเราจะออกเที่ยวแสดงพระธรรมประกาศศาสนาให้พวกอรชีและพวกเดรถถัถย์รู้สึกตัวสักหน่อยครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็เที่ยวมาทางจังหวัดกาลสิน ไปพักอยู่ที่บ้านหนองสะพังแล้วก็บ้านหนองมันปลาแสดงเรื่องพระเป็นอรชีโยมเป็นดีรถัถีก็รู้สึกว่ามีคนเลื่อมใสเลยเห็นด้วยคือนายสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหนองสะพังนำลูกบ้านมาฟังธรรมแล้วก็มาขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในาศาสนาจะไม่ถืออื่นเป็นที่พึ่งจะถือเฉพาะพระรัตนตรยัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตรวมทั้งนายบุญมาผู้ใหญ่บ้านหนองมันปลา ก็นำลูกบ้านมาปฏิญาณตนว่าจะไม่ถือพูดผีปีศาจต่อไปอีกจะถือเฉพาะคุณพระรัตนไตรเท่านั้นอีกฝ่ายภิกษุยาคูเจ้าคณะหมวดก็นำพระมาฟังธรรมที่ประชาทุกวันทุกวันมายอมตัวพร้อมด้วยสานุสิ์มาฝึกหัดกรรมฐานด้วยทุกวันแต่ก่อนท่านองค์นี้ท่านเลี้ยงหมูขายบ้างเลี้ยงไก่ขายบ้างเลี้ยงม้าไว้ขี่มั่งซื้อวัวให้คนไปขายเอากำไรแบ่งกันบ้าง ต่อเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งอาตมาไปแสดงว่าเป็นลัทธิอารัชีแต่นั้นท่านก็ให้คนเอาหมูเอาไกา่เอามาอา้าอัวออกหนีจากวัดให้หมดประพฤติตนตั้งอยู่ในพระธรรมบินัยตอนนั้นอาตมาก็ยิ่งกำเริบใหญ่พิจารณาไปว่าเรานี้จะรื้อพระาศาสนาให้จเจริญได้จริงๆเพราะมีคนเห็นพร้อมแล้วด้วยเป็นส่วนมากเท่าที่ได้ยินได้ฟังก็นับว่านะมีคนเชื่อถือเรามากมายแล้ว ตอนนั้นก็ตั้งใจเที่ยวทุดงไปอีกสองขืนถึงจังหวัดกาลสินไปพักอยู่ป่าไม้ทิศตะวันตกของเมืองอยู่สามวันเท่านั้นในอุ้มผู้ใหญ่บ้านมาฟังธรรมก็เกิดความเลื่อมใสปฏิญาณตนเป็นอุบาสกในาศาสนาวันหลังก็นำลูกบ้านทั้งหมดมาอปฏิญาณตนเสร็จแล้วก็มีนายหอมนักปราดบ้านดงเมืองเคยเป็นครูสอนบาลีละมูลกระจายมาหลายปีท่านมาเห็นเข้าก็ ปฏิญาณด้วยวาจาอันเลื่อมใสว่าข้าพเจ้าเกิดมาอายุห้าสิบห้าปีแล้วเพิ่งได้พบตัวศาสนาในวันนี้เหตุนั้นขอท่านสมณเณรจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นอุบาสกในพระศาสนาตั้งแต่วันนี้ไปตลอดชีวิตดังนี้วันหลังมาในหอมนักปราดก็นำเพื่อนพร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านมาฟังธรรมมีความเลื่อมใสทุกคนไม่ได้แสดงความขัดขวางอันหนึ่งอันใดอยู่มาวันหนึ่งเมื่อเทศจบลง ในจันเรืองและครูโรงเรียนชื่อในแก้วซึ่งอาศัยกินอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดชื่อท่านพระครูสังขปามโมกทวารจาัน์ก็นำเอาเนื้อความซึ่งอาตมากล่าวว่าโยมทั้งหลายเป็นเดียรถีพระทั้งหลายเป็นอรชีไปเรียนท่านพระครูสังขปามโมกเจ้าคณะจังหวัดกาลสิน์พอท่านทราบท่านก็โกรธใหญ่ให้พระสมุภัยไปไล่ให้หนีบอกว่าสามเณรจะมาแข่งกับจังหวัดกาลสินหรือ เนนอย่ามาทำอย่างนี้เลยเนนจงหลีกไปเถอะเดี๋ยวจะถูกจับศึกอาตมาก็ตอบว่าผมหนีมาแล้วจากจังหวัดอุบลจนถึงนี่แล้วจะให้ผมหนียังไงอีกท่านสมุระหนีแล้วหรือยังผมเห็นว่าสมุกก็ควรจะหนีไปเที่ยวทุดงตามอริยะประเพณีเสียท่านก็ถามว่าเนนเดินตามอริยะประเพณีแล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าผมเข้าใจว่าอริยะประเพณีเนี่ยเป็นมาอย่างนี้ท่านถามว่าอริยะประเพณีมีกี่อย่าง อาตมาก็ตอบว่ามีห้าอย่างคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์อืน่นสองไม่เข้าไปว่าร้ายละล้างผลาญคนอื่นสมสำรวมในพระปาติโมกสนั่งนอนเสนาสะนะอันสงัดหเป็นใหญ่ในจิตของตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าอาริยะประเพณีท่านถามว่าท่านเนนเดินตามอาริยะประเพณีแล้วทำไมไปว่าเขาเป็นเดรัจีเป็นพระอรชีไม่ชื่อว่าเบียดเบียนเขาหรือ อัตมาก็ตอบว่าเปล่าผมไม่ได้เบียดเบียนหากจะมีคนเดรัจฉีหรพระอรชีแล้วผมสงสารเขาจะไปตกนรกผมกล่าวขึ้นเพื่อให้บุคคลผู้นั้นน่ะรู้สึกตัวสักหน่อยเพื่อจะให้เขากลับสำรวมในพระธรรมวินัยในพระาศาสนานี้ท่านก็ถามว่าเนรเข้าใจว่าใครเป็นเดรัจฉีท่านองค์ไหนเป็นอรชีในเนรตอบมาสิอัตมาก็ตอบว่าบุคคลไม่ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบุคคลนั้นเป็นเดรัจฉี ท่านองค์ไหนแกล้งประพฤติล่วงเกินพระธรรมวินยัยท่านองค์นั้นชื่อว่าอารัตชีท่านถามว่าอาอย่างเช่นชั้นเนี่ยเนนเห็นว่าเป็นอารัตชีหรือว่าลัตชีอาตมาก็ตอบว่าถ้าท่านสำรวมในพระปาติโมกท่านก็เป็นลัตชีหากว่าท่านไม่สำรวมท่านละเมิดล่วงเกินพระวินยัยท่านก็เป็นอารัตชีท่านก็ถามต่อไปว่าเนนเป็นอารหันแล้วหรือ อตตาตมาก็ตอบ ว, ว่าถ้าผมสําเร็จอรหันผมก็เป็นอรหันเท่านั้นถ้าผมยังไม่สําเร <Workers eigentlich S 2> ็จอรหันผมก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ท่านก็ถามอีกว่าธรรมะอะไรทําบุคคลให้เป็นอรหันอาตมาก็ตอบว่าผู้เห็นจริงในอริยศาสตร์ทั้งสี่ข้อนี้ชื่อว่าพระอรหันท่านก็ถามต่อไปว่าแล้วเนนเห็นอริยศาสตร์สี่แล้วหรือยังอาตมาก็ตอบว่าความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยศาสตร์สี่น่ะเป็นความรู้ความเห็นของพระอริยเจ้า หากผมเป็นพระอริยเจ้าผมก็รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ข้อหากผมเป็นปุถุชนอยู่ชั้นใดผมก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริ ย, ยสัจสี่อยู่ตราบนั้นท่านก็เลยพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเนนก็เป็นทั้งปุถุชนทั้งอริยะใช่ไหมละ่ะอาตมาก็ตอบว่าธรรมดาผู้บำเพ็ญพรถในาศาสนาพุทธที่แรกก็เป็นปุถุชนปฏิบัตเพื่อ อ, อริยมรรคท่านสมุ ก, ก็ถามต่อไปว่าเนนได้อริยมรรคแล้วหรือยัง อัตอมาก็ตอบว่าผมจําได้ซึ่งองค์อริยมรรคแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาส ม, มาธิเป็นที่สุดท่านก็บ่นต่อไปว่าความจําองค์อริยมรรคแปดได้เท่านั้นน่ะจะสําคัญตนเป็นผู้วิเศษไปไอพันนี้มันบ้าจริงๆตัวของเนนนี่แหละเป็นตัวอลัชีใหญ่บวชเข้ามาเบียดเบียนหมู่พวกพิสุสัมเนนไปดูมินดูถูกเพื่อนบรนประชิตด้วยกันทั้งหมดว่าพวกนั้นเป็นอลัชชีพวกนี้เป็นรัชี เดี๋ยวก็จะยุเยะให้สงแตกราวกันเป็นอนันตริยกรรมตัวของเนนเองเ น, เนั่นแหละจะเป็นโทษถึงอนันตริยกรรมตายไปแล้วก็ไปตกนรกอเวจีมหานรกเท่านั้นแค่นี้แกก็ไม่ควรเป็นเนนแล้วการติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อขาดครองเนนนะตกลงเนนนี้แกไม่ใช่เนนแล้วแกติเตียนพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายชายผู้นี้ไม่ใช่เนนแล้วพวกท่านทั้งหลายอย่าพาคันเชื่อถือมาก พวกเจ้าจะนำพาเป็นบ้าไปาเพราะคนคนนี้ทั้งหมดใช้ไม่ได้พวกเจ้าจะพากันติเตียนพระสงฆ์แล้วพวกเจ้าก็จะพากันไปทำบุญที่ไหนเพราะพระสงฆ์เท่านั้นเป็นบุญญาเขตของโลกครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับสามเณรบุญนาคได้กล่าวตอบพระสมุภัย ว่าเท่าที่ท่านสมุจะมาโทษว่าผมขาดจากเนนทีเดียวด้วยเหตุแห่งการติเตียนพระอรชีเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่ได้ติเตียนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผมพูดเพื่อจะให้พระอรชชีเนรู้ความผิดของตัวเท่านั้นส่วนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผมไหว้ยอยู่ทุกวันว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ จกนกระทั่งถึงสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโฆผู้ปฏิบัติดีและเป็นผู้ปฏิบัติชอบนั่นแหละชื่อว่าประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าผมไม่ได้ติเตียนพระสง์ผู้ประพฤติดีผมกล่าวตามโทษของบุคคลผู้กระทําผิดพระวินัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคืองอะไรนักหนาหรือหรือว่าท่านประพฤติผิดพระธรรมวินัยกับเขาบ้าง ท่านตอบว่าไม่ว่าแต่ฉันเลยเจ้าคณะแขวงก็มีมา้ามีวัวมีเงินตั้งหลายพันบาทไม่เห็นใครว่าท่านเป็นพระอรชีอัตมาก็ตอบท่านว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายคงค่อนข้างเป็นพระอรชีไปแล้วพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกเวน้นเจ้าคณะแขวงให้ประพฤติผิดพระธรรมวินัยหรือว่าใครต่อใครก็ตามท่านสมุขก็พูดว่าขี่ม้าเท่านั้นจับเงินจับทองและซื้อขาย ข, ายของบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นจะขาดความเป็นสมณะด้วยหรือนเนน ท่านสมุภัยก็พูดขึ้นว่าเรื่องอื่นมีถมไปทําไมเนรไม่เทศทําไมเนรทังเทศเรื่องส่อเสียดพระเจ้าพระสงฆ์อัตามาก็ตอบว่าอันที่จริงผมต้องการประกาศระาศาสนาในเรื่องนี้ผมพิจารณาเห็นว่าผู้บวชในาศาสนาทุกวันนี้ถือกันเป็นแค่เป็นเจ้าลัทธิเท่านั้นสําคัญว่าได้บวชแล้วก็เป็นตัวบุญเท่านั้นคือถือเอาแค่ลัทธิหัวโลนห่มผ้าเหลืองเป็นอันว่าสำเร็จในการบําเพ็ญบุญแล้วก็ประพฤติผิดประธรรมินัยต่างๆ เพราะสำคัญว่าเราเป็นพระแล้วทำผิดไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะใครเขาคงจะไม่อาจจะว่าเราได้ง่ายๆเพราะว่าเราเป็นพระแต่เขามาพูดดูถูกดูหมิ่นเราโดยเหตุเล็กน้อยเท่านั้นเขาก็กลัวจะเป็นบาปเพราะเราเป็นพระแล้วข้อนี้แหละเป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อมฝ่ายพระก็ทะนงตัวว่าเราเป็นพระใครไม่อาจจะดูหมิ่นเราได้ฝ่ายโยมเห็นความผิดของพระก็ไม่กล้าทักท้วงเพราะกลัวเป็นบาปอันนี้เองทั้งฝ่ายพระก็ไม่มีความละอายกลายเป็นพระอลัชชี ฝ่ายโยมก็เห็นผิดกลายเป็นเดรัจฉีต่างก็พากันมาสำคัญลัทธิผิดๆเท่านี้ว่าเป็นกุศลไม่ได้ประพฤติตามความจริงของพระพุทธศาสนาต่างก็มาสาคัญว่าปฏิปทาของพระพุทธศาสนาหมดวิธีทำกันเท่านี้แล้วก็นอนใจอยู่มินํำซ้ำยังประพฤติเหลวไหลผิดธรรมวินัยลงไปอีกพวกนี้มักเกิดมาประพฤติย่ำยีพระพุทธศาสนาให้ถึงกับความคลั่ค่าลงไป จะได้นามว่าพุทธบริษัทคือเป็นหมู่เหล่าของท่านผู้รู้ผู้วิเศษได้ยังไงตอนนั้นฝ่ายคณะสงฆ์จังหวัดกาลสินธิ์มีท่านพระครูสังกปามโมกเป็นประธานก็กักตัวอาตมาแล้วก็ยื่นคําร้องมาเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรมมุนีตอนนั้นท่านดํารงสมณศักดิ์เป็นพระโพธิวงศ์ส า, าร์อยู่จังหวัดนครราชสีมาหาว่าอาตมาดูหมิ่นผู้ประพฤติพุทธศาสนาทั่วไปในสังฆมณฑล ตกลงเวลานั้นถูกกักพร้อมกับการไต่สวนอยู่ที่นั่นหนึ่งเดือนกับ14วันเพราะประสงค์ในจังหวัดกาลสินอุทธรสองครั้งหมายว่าจะใหอ้อัตมานี้หายไปจากาศาสนาเลยทั้งบังคับให้ศึกขู่เข็นหลายอย่างหลายประการอัตมาก็ปฏิญาณตนว่าเมื่อมีชีวิตนี้ยังอยู่นี่จะไม่เปลืองผ้ากาสวาวพั์ออกจากกายหากท่านทั้งหลายจะศึกผมแล้วก็จงทําศีรษะผมให้ขาดออกจากร่างกายนี้เป็นสองท่อนแล้วค่อยเปลืองผ้าเหลืองออกจึงจะเป็นอันสึก หากชีวิตยังอยู่อย่าเลยท่านเอ๋ยในชีวิตนี้เป็นไปไม่ได้เสียแล้วในการศึกของผมถึงไหนก็ถึงกันหากจะล้างผานชีวิตของผมไม่ตายลงวันนี้ผมก็ยอมตายหากจะให้ศึกไม่ยอมศึกเป็นอันขาดฝ่ายคณะสงฆ์เขียนคําร้องทุกมาเป็นครั้งที่สองผลที่สุดประเด็ดประคุณท่านเจ้าคุณพรมมนีที่อยู่วัดบรมนิวาสทุกวันนี้ก็ตัดสินใจให้ตัวอัตมาภาพลงไปชําระที่จังหวัดนครราชสีมา อัตามาก็มีจดหมายไปเรียนท่านอาจารย์สิงห์และอาจารย์มหาปิ่นพร้อมกับพระครูวิเศษสุตคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นตกลงท่านอาจารย์สิงห์และมหาปิ่นก็ลงมาแก้ไขช่วยที่ประเดี๋ประคุณท่านเจ้าคุณพรมมณีที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วตกลงท่านก็ตัดสินยกเลิกและเรียกเอาตัวอัตามากลับไปอบรมปฏิปทาของศาสนาในสำนักของท่านอาจารย์สิงห์แล้วก็มหาปิ่นอีกขั้นเมื่อกลับถึงสำนักของอาจารย์สิงห์แล้วท่านก็แนะนําอุบายให้ว่า บัดนี้คณะปฏิบัติเนี่ยยังไม่มีความกล้าหาญเสมอภาคกันยังเริ่มริจอยู่จงปฏิบัติเรื่อยๆไปเถิดต่อเมื่อได้มีการถึงพร้อมเนี่ยจงทํากันหากยังไม่มีโอกาสอันเหมาะแล้วก็สแสวงหาความพ้นทุกส่วนตัวไปก่อนเถอะเพราะเวลานี้พวกปฏิบัติยังอ่อนเท่ากับกําลังหวานข้าวกล้าลงในนานั่นเองครั้นเมื่ออาจจะมาได้รับโอวาทของท่านแล้วก็ขอลาท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาฝ่ายพญานาคในพรรษานั้น ตั้งใจบำเพ็ญความสงบส่วนตัวก็นับว่าได้ความสบายใจไม่ได้มีอุปสรรคอันหนึ่งอันใดเลยครั้นเมื่อออกพรรษาแล้วอาตมาก็เที่ยวทุดงไปทางจังหวัดมหาสารคามไปพักอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งยังมีคนตระกูลหนึ่งเขาเป็นคนมีทรัพย์พอสมควรเขาก็นิมนต์ให้พักอยู่ที่ป่าช้าได้ยี่สิบวันคนคนนี้เป็นคนปฏิบัต ต่อมาโยมคนนั้นก็เล่าความเป็นอยู่ของเขาว่าผมก็แก่แล้วการไปการมาก็ไม่สะดวกและผมเป็นทุกข์อยู่อันนึงคือหากผมตายลงไปกลัวจะไม่มีใครพาลูกของผมอยู่เพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวเท่านั้นทรัพย์สินสิ่งของก็มากมายไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยรักษาแล้วก็จะพาลูกผมอยู่กินไปข้างหน้าคนโดยมากไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมเป็นแต่นักเล่นทัวเล่นโปนักเลงเล่า หากจะเอาคนพวกนั้นมาปกครองรักษาทรัพย์ก็เป็นอันว่าถึงความฉิบหายเท่านั้นเองท่านคุณเนนก็ดูยังอายุน้อยยังหนุ่มนักขอให้อยู่ไปนานๆก่อนอย่าได้เที่ยวไปทางอื่นอีกหรือหากจะสึกออกมาพ่อก็จะมอบสมบัติให้ครอบครอง อ, อาจจะภาพาคนนั่งนิ่งไม่ได้พูดคําหนึ่งคําใดทําเหมือนนั่งสมาธิจนกระทั่งแกรู้สึกว่ามีความละอายขึ้นก็ลากลับบ้าน พอค่ําลงวันนั้นอาตมาก็พิจารณาต่อไปว่าบัตรนี้เรามีอายุเพียงยี่สิบปีเท่านั้นอ่าเราหนุ่มนักจะอยู่ในาศาสนาตลอดชีวิตก็หาไม่เมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็รู้สึกขึ้นทันทีว่าเอ๊บัตรนี้จิตของเราเอ็นเอียงไปตามคําชักนําของโยมคนนั้นแล้วอ่าพอระลึกขึ้นได้ก็ขู่จิตตัวเองว่าแม้เราปฏิบัติหาทางพ้นทุกข์เป็นเวลาถึงเจ็ดปีมาแล้วแล้วเรื่องอะไรหนอมาสงสัยก็เรื่องผู้หญิงอยู่อย่างนี้ อย่าเลยนะสถานที่นี้เป็นอัปมงคลเสียแล้วเราควรจะหนีไปเส้นเดียวนี้แหละครั้นพิจารณาแล้วก็หนีไปในคืนวันนั้นครั้นเดินไปตามทางกลางคืนคืนวันนั้นก็ตั้งใจพิจารณาว่าวิชาญไม่อยู่รุ่มเลึกยิ่งนะักหากมาทำความสงสัยไม่เข้าเรื่องเข้าการอย่าเลยเราจะต้องเข้าป่าเข้ารกเพื่อดัดสันดานความรุ่มหลงตอนนี้ให้มันแยบคายลงไป พิจารณาตกลงอย่างนั้นก็เที่ยวเข้าไปหาที่สงบอีกห้าวันถึงแม่น้ำโขงแล้วก็เดินไปตามภูเขาอาศัยบินทบาทฉันตามบ้านเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ตามชายเขาอีกสามวันก็ถึงภูเขาคงแขวงเมืองคําทองก็พักทําความเพียรอยู่ถ้าแห่งหนึ่งชื่อถ้าสองห้องแล้วก็พักจาพรรษาอยู่ที่นั่นในกลางพรรษานั้นก็บาเพ็ญทรมานอดข้าวเจ็ดวันฉันหนหนึ่งจนตลอดพรรษา ในเดือนแรกเน้นึกว่าชีวิตนี้จะตั้งอยู่ไม่ตลอดสามเดือนเพราะมีอาการเหน็บชาไปทั่วร่างกายครั้นถึงวันคำรบเจ็ดก็ฉันข้าวขณะที่ฉันลงไปประมาณครึ่งอิ่มก็เกิดอาการอยากนอนขึ้นมาครั้นฉันจนอิ่มก็มีอาการมืดหน้ามืดตาจะลืมตาอยู่ก็มองไม่เห็นอะไรมืดไปหมดถึงจะลืมตาดูตะวันก็ไม่เห็นตะวันเป็นแต่จะนอนที่ให้ได้อิ่มหนึ่งแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมาถึงได้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้ ครั้นต่อมาเดือนที่สองก็ทําอย่างนั้นเรื่อยไปคือเจ็ดวันฉันหนหนึ่งถึงวันคำลบเจ็ดแล้วก็ออกบินธบมาฉันเพราะฉันแล้วก็มีรถดีแต่ว่าฉันมากไม่ได้ถ้าฉันมากอาเจียนอ่าแต่ก็ไม่ถึงกับหน้ามืดเหมือนอย่างแต่ก่อนตอนนั้นก็อุตสาหบําเพลนต่อไปในระหว่างวันไหนยังไม่ถึงกําหนดฉันตื่นขึ้นแต่เช้ารู้สึกเน็บชาขึ้นแต่ปลายเท้าจนถึงหนังศีรษะเป็นอยู่อย่างเนี้ตลอดพรรษา ร่างกายก็รู้สึกซีดผอมเหี่ยวแห้งมากออกรรษาแล้วก็กลับฉันทุกวันได้สิบหวันปรากฏว่ามีเหงื่อชุ่มที่ปลายเท้าปลายมือแล้วก็ริมฝี ป, ปากส่วนผิวหนังก็หุบเหี่ยวเลาะลอ ก, ล อ, กออกมาเป็นเส้นเส้นยาวยาวตามหลังมือหรือว่าสอกแขนเวลาเอาผิวหนังมาส่องใส่ตะวันก็เห็นรูขนเป็นแถวแถวก็ได้พิจารณาเป็นอนิจจังอ่าต่อไปก็พิจารณาความสงบ ให้นิ่งอยู่นิมิตปรากฏเห็นช้างสารใหญ่ทั้งสองตัวเข้ามาจับเอาทั้งตัวของอาตมาขึ้นนั่งบนหลังแล้วก็พาขึ้นไปบนภูเขาสูงแล้วก็คว้าเอาผ้าไตรจีวรมาวางลงที่ไหลขวาของอาตมาแล้วก็ยกลงมาวางไว้ที่ก้อนหินที่เป็นยอดภูเขาต่อน น, นก็รู้สึกตัวก็ยังนั่งสมาธินิ่งอยู่ที่ก้อนหินเสร็จ แ, แล้วก็พิจารณ า, าว่าการอุปสมบทเป็นพระของเรา จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายท่านจะโปรดอนุเคราะห์จากนั้นอาตามาก็เที่ยวทุดงมาจากเมืองคำทองเรื่อยมาถึงกรุงเทพเดือนสี่ขึ้น8ค่ำศอพอส่ร้าครั้นมาถึงในวันนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพรมุณีก็เรียกเขาไปถามมาเนนนี้หรือที่ถูกกักเจ้าคณะแขวงจังหวัดกาลสินกักอาตามาก็รับความเป็นจริงท่านก็จับมือไปดูลายลักษณะที่มีอยู่ในฝ่ามือ แล้วก็ท่านก็สั่งว่าหัดขานนากเสียอุปสมบทได้แล้วค่้นวันหลังก็สั่งไปกับแม่ชีเป๋าว่าเรียนท่านที่วังให้ทราบอาตมาจะบวชพระรูปหนึ่งหวังว่าคงไม่เหลือวิสัยตอนนั้นแม่ชีเป๋าก็มาเรียนพระเดชประคุณท่านทีวังก็รับอนุเคราะห์จัดการสมณบริขารอุปสมบทอาตมาเป็นภิกษุขึ้นในาศาสนาเดือนห้าขึ้นห้าคาครั้นบวชแล้วก็อยู่ในกรุงเทพไม่กี่วัน เดือนห้าข้างแรมท่านเจ้าคุณก็นําตัวอาตมากลับไปที่โคราชอาตมาก็ไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานั้นครั้นออกพรรษาแล้วอาตมาก็เที่ยวลงมาทางพระบาทสระบุรีตะเลิดเข้ามาที่กรุงเทพอยู่แปวันอาตมาก็ขอเจริญพรลาพระเดศพระคุณท่านก็ช่วยอนุเคราะห์ค่าโดยสารรถเสร็จแล้วอาตมาก็กลับไปจำพรรษาที่วัดป่าสารวันของ คณะอาจารย์สิงห์ที่โคราชอีกในระหว่างกลางมันษาที่สองเกิดโรคเน็บชาอ่อนเพลียบางวันก็ไปบินทบาทไม่ได้บางวันก็ไปได้ก็นึกว่าหายาที่ไหนมาฉันก็ไม่หายก็นึกรำคาญใจขึ้นมาก็นึกว่าจะไม่ฉันอาหารเสียเลยให้มันตายไปซะดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์ไปหลายวันเรื่องราวของสำมเน็นบุญนาคเที่ยวกรรมาฐานเนี่ยได้ขาดตอนลงเพียงเท่านี้ครับไม่สามารถจะค้นคว้าหาตอนต่อไปได้อีก แต่ว่าเคยได้ยินว่าเคยมีการลงพิมพ์เป็นเล่มอยู่ครั้งหนึ่งานานมาแล้วจํานวนพิมพ์ของหนังสือนี่ก็คงไม่มากนักหากว่าหนังสือฉบับสมบูรณ์มีอยู่ที่ท่านผู้ใดหรือทราบว่ามีอยู่ที่ไหนก็ขอได้โปรด ก, กรุณ า, าช่วยให้เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่อยากรู้อยากจะศึกษาด้วยนะครับจะเป็นมหาทานมหากุศลเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับสําหรับวันนี้เวลาหมด